สวดสารเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณสังฆคุณและก็สวดพระบารมีสามสิบทัตติปิโสภาคาวะาราหังสัมมาสัมบูตธ จาจาระนาจามปันโนสุขโตกาวิโดอนุตโรโภเรสถานมาสาราิสัตถความมนุษสานังพุทธ พระคาทิองได้พระสัมพุทธเวิสุทธาสันดานตัดมูลกาเลสมัน บ่มีมองมีมองมัวหนึ่งในพระไทยทานก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่ผ่านผู คนท่าคำจรองได้ประกอบด้วยพระการุาดาดังสะคอนโปรดหมู่ประชาคอน มาลาโอขาการดานชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขกเกษมสานชี้ทางพนานพาน อันพนโสวิโยภัยพร้อมเบนจะพิธาจากสุจราตวิมลสายเห็นเหตุที่ไกลไกล ก็เจนจบประจักษ์จริงกามจัดน้ำใจยาบสันดานบาปแห่งชายหญิงสัตว์โลกได้พึงพ่งเพียง มาลาบาบัมเพนบุญข้าขอประนอดนอ้อมศิริกาวบังคมคนสามพุทธทัการรน ยาภาป น, น, นิรันดรกราบระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านสวาคาโตภาควตาธรมโมสานเทติโก อาคาลิโกเฮหิปัสส e ิโกอปปนาเยโกปจจตังเวทิตาภิญโยหิติธรรมะคือคุณาก่ สว่วนชอบสาทรดูดดวงประทีพชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจันสองสัตสันดานสว่างกะจ่างใจม่อน ทำได้นับโดยมักโทลเป็นแปดพึงโยลแลกก้าวกับทางนฤรุภนซ้อมยาโลกอุดอนพิสดารอันลึกโอลาน พิสุทธ์พิเศษสุขธรทมต้นทางขันลายนามขนาดขานคายปฏิบัติปริยัตเป็นสองถือทางดำเนินดุจจักของ ให้ลวงลูปองอย่างโลกอุดอนโดยตรงข้าขออโอนอ่อนอุตมงนอบธรรมจำนงโดยจิตและกายว่าจาตราและเลิกถิงพระธรรมคุณนะ สุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวะกะสังโฆอุโชปปิปันโนภาคาวะโตสวะกะสังโฆญายาปปิปันโน ผักขาวโตสาวกสังโฆสามีเจปาติปันโนผาคขาวโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสยุกานิอัต ท่าปุริสะโพขลาเอสาพาคาวตโตสาวะกัสังโคอาหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอันชาเรคารณนิโย อนุตรังปุญญาเกตังโลกัสสัตติทรงไดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแห่งองค์สมเด็จพระาวาน เห็นแจ้งจตุศาสตร์เสร็จบาลโลทางที่อ่านระงอบและดับทุกภัยโดยแสดงพระผู้ตรัตรายปัญญาผ่องใสสาต์และปราชมัวมอง เพื่อนห่างทางข้าศึกปองบอมีลามพองด้วยกายและวาจาใจเป็นเนื้อนาบุญอันภายสร้างแด่โลกายและเกิดพิบุญภูนพล ซ้อมยาเอารถทสพลมีคนอนนาเล็กจะนาเปลือตราหาขอนบหมูพาสราพกซองคุณานูคนไปโดดจะรำพัน โดยเดชบุญค่าอภิวานพระไตรรัตนผูดอมดิเรกนิราชไซจงช่วยขจัดโพยภัยอันตรายใดใดจงดับและกราบเสื อ, อำสูตรกระพล็กถึงภาษาคุณ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 นาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบาวงเวสรนังยันติปปัปปานิวนานิจจาอารามะโรคเจตยานีมโนทสาภยตัจิตา เนตังโฆสรา낭เขมังเนตังสรณมุตตมังเนตังสรณมากะมังสับโดขาพมุจติโยจ้าบุษฐานจามัญจะสังขันจ่าสรา낭คาโตจัตตารี อริยสัจานีสมปัญญาญาปสติทุกขังทุกขสมุปปัฏานทุกขะสาจะติกมังอริยันจัดทังทีกังมคขังทุขูปสัมมาคามินัง เอตังโคสรณังเขม่ยเอตังสรณมุตมตมังเอตังสร ะ, าสระาหาโมกามาสบับะโดขาปะโมจติมนุษย์เป็นอันมากเมื่อถูกมหันตภัยคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่มหันตภัยคือความเจ็บไข้ และมันตะัยคือความตายตลอดถึงมันตะัยภายนอกคือแผ่นดินถล่มพายุเกิดไฟไหม้เป็นต้นมนุษย์เหล่านั้นก็ไปหาเข้าถึงป่าไม้อารามรุกเจดีไปหาสารพระภูมิบ้างไปหาเทพพยาดาอารักษ์พระอินพระพรมเป็นต้นบ้างว่าเป็นตาระ ว่าเป็นที่พึ่งพระบรมศาสดาบอกว่านั่นแหละไม่ใช่สารณะอันกเกษมนั้นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเมื่อบรรดาประชาสัตย์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากมหันต์ทุกทั้งปวงไปได้ส่วนบุคคลใดมีศรัทธาเชื่อมั่นเข้าถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะว่าเป็นที่พึ่ง ว่าเป็นที่กำจัดภัยเป็นที่เป็นไปในเบื้องหน้าเขาเหล่านั้นมาฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศ า, ศาสดาประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามศีลสมาธิปัญญาที่พระบรมศาสดาทรงประกาศไว้ดีแล้วซึ่งมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงพร้อมได้อัฏฐและวิ ญ, ญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน เมื่อเขาได้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติเป็นไปตามลำดับแล้วเขาย่อมเห็นอริยสัจสคือเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความก้าวล่วงแห่งทุกข์คือพระนิพพานเห็นอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งยางสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามความเป็นจริงได้พระปรมศาสดาตรัสว่านั่นแหละเป็นจรณะอันเกษมนั่นแหละเป็นจรณะอันสูงสุด เมื่อบัรดาประชาสัตว์เข้าถึงสาระอันถูกต้องเช่นนี้แล้วเขายอมจะพ้นจากมหันตดับทุกทั้งปวงเป็นต้นได้ขออนุโมทนาแก่เราพุทธบริษัททุกท่านที่ได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติกันในครั้งนี้เราท่านทั้งหลายได้หันหน้าเข้าหาสาระคือพุทธรัตรนะธรรมรัตรนและสังฆรัตรนอันสูงสุด และเราท่านทั้งหลายได้ฟังพระธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ไม่ว่าจะเป็นคําสอนที่พระศาสดาตรัสไว้ในเรื่องของสติปัฏฐานสมปทานอิธิบาทอินทรีพระลักโพชฌงค์แล้วก็อริยมรรคมีองค์8ดอีกอย่างหนึ่งเราได้เดินตามพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาที่พระศาสดาตรัสไว้ว่าบรรดาประชาศาสตร์เมื่อเจอมหันตภัยมหันตทุกข์คุกคามแล้ว ซาบเหล่านั้นก็เข้าหาสาระที่ถูกต้องคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะแล้วเมื่อเข้าถึงสาระอันถูกต้องได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสดาที่เป็นไปตามระบบตามแบบแผนที่พระบรมศาสดาตรัสไว้เมื่อเข้าใจคําสอนของพระบรมศาสดาอย่างถูกต้องชัดเจนแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านั่นแหละเป็นสาระอัน กเกษมนั่นแหละเป็นสรณะอันสูงสุดเมื่อบรรดาประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วจะสามารถพ้นจากมหันตทุกขและก็มหันตภัยเป็นต้นได้เราได้รับการเข้ามารับการฝึกขัดขัดเกลาและอบรมมาประพฤติปฏิบัติในสถานที่แห่งนี้คือตั้งใจจะมาเจริญตามทานศีลภาวนาที่พระบรมศาสดาตรัสรไว้ให้สังเกตดูไหมว่า เวลาเราจะมาฝึกมาเจริญสมาธิหรือเจริญอาณาปานาสติสมาธิที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยแต่มีม่ใช่น้อยที่บุคคลเข้ามาประพฤติปฏิบัติกันแล้วไม่สามารถที่จะยางจิตของตอนเองนั้นให้เข้าถึงสมาธิได้อย่างถูกต้องและไม่สามารถจะยางจิตของตอนเองนั้นเป็นฐานแห่งการปฏิบัติการของวิปัสสนาปัญญาให้ถูกต้องเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้บรรดาพุทธบริษัท ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะไม่เข้าใจกระบวนการของการฝึกขัดที่จะทําให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้อย่างแท้จริงไม่เข้าใจกระบวนการของการเจริญกุศลว่าในขณะที่เราอยู่กับพ่อแม่เราควรจะเจริญทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลอย่างไรในขณะที่เราอยู่กับเพื่อนควรจะเจริญทานศีลภาวนาอ <S heat of worry> ย่างไรในขณะที่เราอยู่กับครูอาจารย์เราควรจะเจริญทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่างไร ในขณะที่เราอยู่กับสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่กับบุตรหลานญาติมิตรทั้งหลายเราไม่เข้าใจบริบทของการเจริญทานศีลภาวนาเลยฉะนั้นกระบวนการเหล่านี้แหละไม่ถูกเพาะปลูกเม็ดของกุศลเจตนานั้นไม่ถูกเพาะลงในกระแสของชีวิตอย่างแท้จริงเมื่อได้ไม่ได้ปลูกเมล็ดพันธุ์ของกุศ ล, ลเจตนานลงไว้ในกระแสชีวิตเมล็ดพันธุ์กล่าวคือกุศลนั้นก็ไม่สามารถเจริญงอกงามในกระแสชีวิตของประชาัตว์ได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นอย่าแปลกใจเมื่อเวลาเราท่านทั้งหลายเข้ามาอยู่เห็นการฝึกขัดขัดเกลาในการจะพุทธปฏิบัติทํำยังไงก็ทําไม่ขึ้นเธยสังเกตไหมเราจะมาฝึกขัดเพื่อจะทําให้กุศลเดินก็เดินไม่ได้จริงบางครั้งก็ติดขัดตรงนั้นติดขัดตรงนี้โดยเฉพาะบางทีเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ตรงนี้ก็ดูเหมือนว่ากําลังจะได้ดีอยู่แต่พอกลับไปอยู่ที่บ้านบรรดากุศลเหล่านี้ก็แตกสลายหายหมดเลย เคยเป็นไหมว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าบรรดาการปลูกเม็ดของกุศลเจตนาเข้าไว้ประชุมไว้ในกระแสชีวิตนั้นน่ะเรายังไม่มีความเข้าใจอย่างชัดเจนถ้าเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแท้จริงเนี่ยกุศลเนี่ยมีความสําคัญต่อดชีวิตของสัตว์โลกมากสัตว์โดยส่วนใหญ่แล้วไม่เข้าใจสภาพจิตที่เป็นกุศลกับสภาพจิตที่เป็นอกุศลเม่ไม่เข้าใจสองลักษณะ ของสภาพใจของที่แท้จริงแล้วก็แยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าเออเนี่ยจิตแบบนี้คือกุศลเกิดนะจิตแบบนี้คืออกุศลเกิดเช่นเวลาเราจะให้ทานเราจะมีวัตถุมีสิ่งของมีข้าวของในการที่เราจะไปสละเราจะไปให้เราก็ให้กันแค่ตามประเพณีหรือตามวัฒนธรรมหรือตามรูปแบบหรือเวลาเราจะมารักษาศีลแล้วก็บอกเอา้าเราสมาทานแล้วไง แล้วก็มายังปันเตวิสุงวิสุงรักณาทายะติสารเนนัสาปัญจศีลาหรืออัฐศีลาก็่ากันไปใช่ไหมพอสมาทานเสร็จกิจกรรมของการเจริญสุศีลกุศลไม่รู้มันเกิดยังไงเราบอกว่านี่ไงเราก็ไม่ฆ่าสัตว์แล้วแล้วก็ไม่ลักทรัพย์นะเราก็ไม่ประพฤติผิดในกรรมเราก็ไม่พูดเท็จเราก็ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพือเจริไม่เอาสุรามีอะไรมาใส่ไว้ในกระแสชีวิตน้องเรามานั่งนึกดูนะว่า เอาละนอกจากไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยหนึ่งจิต ท, ที่ไม่ไม่ฆ่าแล้วเราเปิดโอกาสให้ใจของเราเป็นไปกับเมตตาไหมเปิดหรือไม่เปิดเมื่อปิดไม่ให้กายกรรมวิจิกรรมไม่ไม่กายกรรมไปฆ่าแล้วเนี่ยแล้วปิดแล้วปิดทางกายทวารของเราแล้วไม่ให้ไปฆ่าแล้วเราเปิดทางใจเราไหมเปิดให้ใจเราเป็นไปกับเมตตาหรือไม่เปิดถ้าไม่เปิดอันนั้นตัวกุศลศีล really ก็ไม่เกิดจริงนะ ฉั้นต้องเปิดใจของเราให้เป็นไปกับเมตตามีความรักความปราถนาดีความเอื้อธรใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราไม่ฆ่าจริงแต่เราก็หงุดหงิดนะ่ะแต่เราก็โกรธเราก็เครียดนะ่ะคนนี้เรารักแต่คนนี้เราไม่ชอบอะ่ะเห็นไหมว่าบรรดาประชาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยสมาทานศีลก็เลยได้เป็นหย่อมย่อมได้เป็นขณะขณะแต่ไม่สามารถทำตัวกุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างติดต่อและต่อเนื่องได้อย่างแท้จริง ที่จะพูดนี้ต้องการพูดให้ดูว่าเวลาไปเจริญสมาธิมันก็มีปัญหาติดขัดเพราะด้วยอำนาจของกุศลที่ไม่ได้เดินอย่างต่อเนื่องในชีวิตจริงนี่แหละทีนี้ถ้าหากสามารถเดินกุศลได้ในชีวิตจริงเอาละหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองก็เปิดโอกาสใจขห้ตัวเองให้เป็นไปกับความรักความเมตตาเป็นไปกับความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นด้วยพอยินดีกับสัตว์ทั้งหลายที่ประสบความสุขความเจริญด้วย และก็วางใจวางจิตเป็นเมื่อสัตว์ทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามกระ บ, บวนการของกรรมที่สัตว์ทั้งหลายนั่นทำไว้ก็วางจิตเป็นไปกับกุศลได้อย่างแท้จริงมีความสงบมีความลึกซึ้งมีความเยือกเยน็นเป็นแบบนี้ไม้มถ้าเป็นแสดงว่าตอนนี้ตัวงดเว้นจากปานปธิบัติ จิตที่คิดจะไม่ฆ่าจิตที่คิดจะไม่เบียดเบี้ยนจิตที่ไม่คิดประทสธร้ายคนอื่นกุศลจิตก็เกิดขึ้นในกระแสชีวิตได้จริงก็เกิดความอาถรรพ์ล่าเลิงผ่องใสใจเบิกบานจิตก็ผ่องใสใจก็เบิกบานใช่ไหมเอาประการต่อมางดเว้นจากการรักแล้วปิดแล้วปิดบาปแล้วไม่ให้ล่วงละเมิด และเราเคยน้อมใจไ้มว่าทรัพย์สมบัติของท่านผู้ใดก็จงเป็นของท่านผู้นั้นเถิดเราจะไม่คิดที่จะน้อมเอาทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของเราเลยแม้ด้วยการคิดเรายังไม่คิดเลยอย่าว่าที่เราจะใช้อวัยวะมีมือมีปากของเราไปพูดเพื่อจะน้มน้าเอาทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนเองโดยไม่ชอบทำเลยในขณะเดียวกันจิตก็ยังปราถนาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยทรัพย์ เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์เมื่อได้ทรัพย์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์จงใช้ทรัพย์ทําคุณความดีในการเลี้ยงดูมารดาบิดาบุตรภรรยาเบ่าไพ่ให้เป็นสุขเถิดในการให้ทานในการช่วยเหลือเจอจาแก่สังคมโลกให้มีสุขให้มีความเจริญเถิดขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขทรัพย์สมบัติที่ตนเองหา ม, มาได้ด้วยความขยันด้วยความหมัน่นด้วยความชอบทำถามว่าเป็นแบบนี้ไหมจิตเป็นแบบนี้จริงไหม ถ้าไม่เป็นพลังของอาทินนาทานการงดเว้นจากการลากักการขโมยมันไม่อาจหารไม่ล่าเลิงนะยอมเป็นแบบนี้ไหมถ้าไม่เป็นก็ฝึกสมาทานจงใจตั้งใจที่จะทำให้กุศลคือการงดเว้นจากการลักเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงเอาละแต่เนี้ยงดเว้นจากการประพติผิดในกรม ยินดีเฉพาะในคู่คองของตนเองนั่นคือคาวาะแต่ถ้าเป็นนักบวชหรือผู้พุทธพรหมอาจารย์อย่างนี้ก็คือไม่เกี่ยวข้องเลยอาการของคนคู่จงรู้เขาหากทำเข้าศีลขาดที่นาฏปนใช่ไหมมีโทษหนักนักหนาอย่า ก, กังวลทั้งหัวตนเมียตัวยานวเนียเนี่ยถ้าศีลห้าก็ห้ามน้อยค่อย ย, อย่อย่นคู่ของตนตามใจศีลไม่เสีย แต่ถ้าเป็นของเขานี่ห้ามเขาเคลียใช่ไหมเรื่องผัวเมียไรนักประจักษ์ตาก็มีตรงนี้ก็คือว่าเอาลนะตัวกุศลศีนนอกจากการงดเว้นจากการภาคู่ของตนเองของคนอื่นมาเป็นของตนเองแล้วไม่พอจิตยังน้อมได้ว่าขอให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขในคู่ของตนเองนะ ยังมีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนต่อกันอยู่ด้วยกันเนี่ยให้มีความปองดองกันมีความรากักมีความสมัครสมานสาำไีกันเนะเราจะไม่คิดที่จะภาคท่านพวกนี้ให้แยกจากกันเลยอย่าว่าจะเป็นการจะไปภาคด้วยกายเขวัน ด, ด้วยวาจาเลยถามว่าศีลข้อสามของเราแข็งแรงแบบนี้ไหมถ้าแข็งแรงอย่างนี้ใช่แล้วตัวกุศลศีล ต้นของกุศลศีลนี่มันจเจริญงอกงามใหญ่โตรจริงๆใช่ไหมแล้วปลูกมเมล็ดพันธุ์ของต้นกุศลศีลแล้วเราเคยสังเกตไหมว่าต้นของกุศลศีลมันจเจริญไหมกุศลศีลมีรากหรือไม่มีมีรากรากมันจะยังลึกเมื่อรากของกุศลศีลอย่างลึกต้นไม้คือกุศลศีลก็จ ะ, จะเจริญงอกงามในกระแสะชีวิตของท่านบุนนั้นอ้างวัตเว้นจากการพูดเท็จ แล้วเวลาจะเป่งวาจาออกมาพูดคำสัตย์คาจริงไหมไม่ใช่แค่งดเว้นนะก็พูดคำสัตย์คำจริงคำที่เชื่อถือได้ไม่ลวงโลกเป็นคำพูดที่เป็นไปกับกุศลเป็นสัจจะวาจาด้วยเมื่อได้เปล่งวาจาออกไปแล้วก็เชื่อถือได้ไม่มีพูดแล้วมาลบคำพูดที่หลังไม่มีเลยแล้วก็มีแต่ความสุข ได้ในขณนะเดียวกันก็คือปรารถนาไม่ว่าจะท่านผู้ใดเราก็จะกล่าวคําสัตย์คําจริงส่งเสริมความจริงนี่แหละเอางดเว้นจากการพูดส่อเสียดส่งเสริมการพูดสมัครสมานสามัคคีหรือไม่พูดให้คนเขารักกันหรือไม่พูดให้คนเขาสมัครสมานสามัคคีกันไหมแม้เห็นคนนี้เขาแตกเขาแยกกันเขาทะเลาะ ก, กันก็ประสาน ร, รอยร้าวให้คนเหล่านั้นมาเชื่อมประสานมารักมา เอื้อทอนต่อกันมีความรักไข้มีความปองดองต่อกันไหมถ้าไม่เป็ถ้าไม่ทแบบนี้ไอตัววจีทุจริตมันก็เกดนะิดเนอะถ้าทําอย่างนี้ต่างหากกุศลศีลมันถึงจะเกิดได้จริงแล้วก็จะได้สามารถเดินได้จริงในชีวิตประจำวันงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อกล่าวแต่คำที่เป็นอัดและเป็นธรรมมีหลักฐานเชื่อถือได้ไม่กล่าวไร้สาระ คำพูดนั้นเป็นคำพูดที่มีเหตุมีผลมีหลักฐานเป็นไปกับกุศลจิตเป็นไปกับกุศลธรรมแล้วก็เป็นคำพูดที่มีที่มาที่ไปมีที่อ้างอิงไม่ได้ยกอะไรขึ้นมาแบบลอยๆเวลาจะกล่าวคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ใช่อ้างมั่วๆอ้างว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงนะเช่นสมัยหนึ่งพระบรมศาสดาประทับที่ เวรุวันการันตการนิละวาปาสถานที่แฟนมาคดในครั้งนั้นพระบรมศ า, ศาสดาทรงสแสดงโอวาทปาธิโมกขเเป็นพูดคำสัตย์คำจริงเชื่อถือได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เ็าเรียกคำพูดที่ไม่เพอเจอถามว่าไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นอย่างถูกต้องเป็นต้นด้วยถามตรงนี้นี่แหละที่จะได้เป็นปัจจัยเกื้อนหนุน ต่อการที่จะทำให้ตนเองเมื่อมาเดินเข้าสู่การฝึกในการที่จะเจริญสมาธิและเจริญวิปัสนาปัญญาแล้วกุศลจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องกุศลจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องยอมเป็นแบบนีไหมเป็นไม่เป็นในชีวิตจริงต้องเป็นอย่างนี้นะคือตัวกุศลศีลก็ต้องสามารถเกิดได้จริงทีนี้ ยอมดูที่ว่าเนี่ยที่นั่งๆ่งกันอยู่นี่ยยมเกี่ยวข้องกับบุคคล ท, ทั่วไปเนี่ยให้สังเกตนะมาที่นี่โดยมากเราจะถือการปิดวาจากันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่จนกลายเป็นนั่งเงียบๆถามว่าเป็นชีวิตจริงของยอมหรือเปล่าใช่ชีวิตจริงไหมยอมอึดอัดไหม อ่นอ่านหรือไม่อ่านอ่า น, น, นไหมยอมว่าคนที่ติดคุกและถูกขังเดี่ยวไม่ให้พูดกับใครยอมว่ามีศีลไหมยอมว่ามีศีลไหมมีไม่มีอ่ะตอนนั้นเขาได้ฆ่าสาัตว์ไหมเขาได้ลักทรัพย์ใครไหมเขาได้พูดเท็จไหม เขาได้พูดสอเสียดกับใครไหมคําหยาเพอ่อเจอร์เขาอยู่กันเดียวนี่ได้ดื่มสุราเมีไรไหมอาหารบางทีเขาให้ไม่ให้กินเขาให้กินแค่วันละมือ้อเขาได้สินแปดด้ไหมเนี่ยอที่นอนก็ไม่มีฟูกด้วยนอนกับที่แข็งๆเขาก็ได้ข้อไม่นอนที่นอนที่ใหญ่ที่สูงด้วยได้ไม่ได้ไม่มีเงินทองด้วยโอ้โหเขาจะบทงใสเป็นสมณะแล้วมั้งเนี่ย เข้าใจไหมเอายอมว่าเข า, าเขามีศีลไหมมีไม่มีมีไม่มีเอาใครว่ามียกมือขึ้นบอกคุณ เ, เนี้ยศีลเกิดแน่นอนแล้วพวกเนี้ยเอาใครว่าไม่มีศีลเอามือลงไอ้ที่ไม่ยกมือแปลว่าแสดงว่าถูกก็เอาผิดก็เอาหรือเปล่าเห็นไหมว่า บางทีโยมอาจจะเคยเห็นที่เขาขังนกไว้ในกรงอันนี้เอาลากไปถึงสัตว์าชานแล้วเขาขังกระต่ายไว้ในกรงก็เห็นไหมขังไว้ตัวเดียวเลยเราคิดว่านกก็ดีกระตายตัวนั้นมีสีนห้าสินแปดสินสิบครบไหมมีไม่มีนี่ไงการรักษาศีลไม่ใช่เหมือนคนติดคุก ไม่ใช่เหมือนนกถูกขังกรงไม่ใช่กระต่ายถูกขังไม่ใช่เห็นไหมว่าศีลจริงๆเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจหรือไม่รู้หรือไม่เข้าใจเป็นเรื่องอะไรต้องรู้ต้องเข้าใจศีลเป็นรู ป, ปรธรรมหรือเป็นนามธรรมอา้าวใครว่าศีลเป็นรู ป, ปรธรรมยกมือขึ้นที ถาเป็นรูปธรรมยกมือแล้วใครว่าเป็นนามธรรมายกมือขึ้นศีลศีลเนี่ยเป็นนามเป็นนามธรรมเพราะศีลเป็นเรื่องของอะไรเจตนาเห็มเห็มันข้อเท็ดูไหมเจตนาศีลคือเจตจานงความจงใจตั้งใจที่จะรักษาศีลไอเจตจานงจงใจความจงใจความตั้งใจที่จะรักษาศีลความคิดที่จะรักษาศีล เมื่อคิดแล้วก็สมาทานเมื่อสมาทานแล้วเนี่ยจิตที่สมาทานแล้วก็เกิดความตั้งมั่นแล้วก็เกิดความตั้งใจเกิดความจงใจพอจงใจแล้วตัวกุศลศีลมาควบคุมอะไรควบคุมรูปธรรมหรือควบคุมกายกับควบคุมอะไรควบคุมวาจาควบคุมแบบคนติดคุกหรือควบคุมแบบคนเข้าใจรู้แบบติดคุกหรือไม่แบบแบบ ติดเหมือนคนติดคุกไหมไม่เหมือนนะงั้นคนติดคุกเขาเต็มใจติดหรือไม่เต็มไม่ได้เต็มใจนะแล้วคนรักษาศีลล่ะเขาตั้งใจที่จะรักษาหรือไม่ตั้งใจบางทีถูกบังคับไปก็มีนะเคยเป็นไหมล่ะแบบบังคับลูกมารักษาศีลเนี่ยลูกไม่รักษาศีลก็ดา่าลูกอยู่นั่นแหละดา่าวางบนบ้างเลยสารพัดใช่ไหทั้งบนทั้งบังคับใช้ตาขู่มีไหม มองจองังนั้นการรักษาศีลเนี่ยจริงๆแล้วต้องเกิดจากความรู้ความเข้าใจเพราะเห็นอะไรเห็นอะไรมนุษย์จึงรักษาศีลเอาเห็นอะไรถามโยมหนะ่อยโยมรักษาศีลทาไมทำไมจึงรักษาศีลรักษาศีลทาไมรักษ า, กษาทาไม อะไรนะเห็นว่าอะไรนะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีใครเป็นคนบอกถามว่าการรักษาศีลเพราะเราเห็นอะไรเห็นอนิสงเห็นอนิสงของการรักษาศีลและเห็นโทษของการไม่รักษาศีล ใช่ไหมล่ะเอา้าเราเปิดไปหน้าที่ร้อยเก้าสิบสามีในหนังสือสวดมนต์เนี่ยนั้นเราจะเห็นเห็นไหมอ น, นิสงของการรักษาศีลเนี่ยถ้าเราเห็นอ น, นิสงเราก็จะเห็นโทษตรงกันข้ามเห็นหรื อ, อยัง ผลของการเว้นจากการฆ่าสัตว์หนึ่ง <c oughs> คืออะไรความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอวัยวะน้อยใหญ่นี่แปลว่าอะไรเนี่ยยอมเคยเห็นอย่างนี้ไหมที่รักษาศีลเพราะเราเห็นว่าเพราะคนที่ไม่รักษาศีลนี่แหละอวัยวะจึงไม่สมบูรณ์เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขาสักแต่ว่าเป็นคนยอมก็เห็นไหมบางคนสักแต่ว่าเป็นมนุษย์แหละขาก็ไม่มีแขนก็ไม่มีจมูกก็ไม่มีตาก็ พิการเคยเห็นไหมแล้วเรายอมเห็นตรงนี้ไหมถึงตั้งใจที่จะรักษาศีลได้เห็นตรงนี้ไหมถ้ายอมไม่เห็นอนีส้สองไม่เห็นโทษของการทุศีลของคนไม่มีศีลแล้วเนี่ยมันจะรักษาศีลแบบจริงจังหรือไม่จริงจังมันต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะใช่ไหมถ้าไม่เห็นตรงนี้แล้วจะมารักษาศีนกันจริงๆริ ง, ร ง, ร ง, รงยันจัไหม เห็นไหคนที่รักษาศีลตัวกุศลศีลข้อแรกเขาดีเนี่ยเกิดมาเนี่ยอวัยวะทุกส่วนสมบูรณ์หมดเลยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยมันสมองเขาสมบูรณ์หมดอะแขนขาหน้าตาสมบูรณ์หมดเลยไม่มีอวิวัฒน์ส่วนไหนเลยพี่คนพิการเลยแต่ถ้าหากรักษาศีลข้อนี้ไม่ดี อวัยวะจะสมบูรณ์หรือบอกพร่องเนี่ยฉะนั้นโลกนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปนะฉะนั้นถ้าหากว่ารักษาศีลแล้วจิตใจจะผ่องใสไหมถ้าเรามีกุศลศีลมันก็เห็นไงมันเหมือนว่าคนเนี่ยประกอบการงานเมื่อเราทําได้ถูกต้องแล้วเนี่ยที่สุดจริงๆเมื่องานนั้นทําเสร็จแล้วรอรับโบนัสเนี่ยเราจะชื่นใจไหม ว่าเราจะต้องได้โบนัสชิ้นโตชิ้นใหญ่เนี่ยชื่นใจหรือไม่ชื่นใจก็ชื่นใจสิเพราะเราจะได้ใช่ไหมอาจารย์ที่การรักษาสิ น, ร น, นทรพันธ์จริงๆเนี่ยผมไม่ได้เห็นในนี้นะฮะแต่ผมเห็นว่าถ้าเราไม่ทําเขาเขาก็มีความสุขเราไม่เบียดเบียดเบียดเขาเขาก็มีไม่มีความรุนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราเตัวเราเป็นการว่าถ้าเราทำเขาเขาดี เสียใจหรือเราไปฆ่าเขาก็คงเจ็บของหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถึงไม่อยากทำหรือบางทีเราถึงใส่ถุงพื้ น, น, นสสที่มันจะตายเนี่ยเราไปช่วยมันถ้าเราสงสารที่มันจะตายแต่ผมอันเนี้ยผมเห็นแต่อันเนี้ยผมยังมองไม่เห็นเพราะว่าผมผมไม่รู้ว่ามันเกิดแบบนั้นขึ้นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ผเห็นคนือรู้ว่าถ้าผมที่ช่วยชีวิตสัตว์ตัวนี้แล้วเนี่ยมันได้รอดผมผมจึงยิ น, นดีในการรักษาสิ่งที่ไม่ฆ่า แล้วก็ไม่เบียดเบียดสันยีงสิบหรือถูกก็ก็ก็ก็ใช้ได้ระดับระดับความเข้าใจระดับความเข้าใจที่ที่เราคิดธรรมดาก็คือโดยธรรมดานี่ก็หมายความว่าสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ควรจะเบียดเบียนกันควรจะรักกันควรจะปรารถนาดีต่อกันอันนี้ก็เห็นอยู่แต il, ่ถ้าเราเข้าใจกระบวนการของกรรม ลึกซึ้งด้วยยานปัญญามากกว่า น, นั้นและเราจะเข้าใจบริบทของชีวิตที่ลึกลงไปให้สังเกต ด, ดูว่าเจตจำนงในกรณีที่เรามีความจงใจในการที่จะรักษาศีลตอนนั้นคุณภาพจิตอ่ะดูก่อนนะการให้ผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเนี่ยมันให้ผลสี่ระดับหนึ่งระดับที่จิตใจระดับที่หนึ่งตอนนั้น่ะเวลา สมาทานจงใจตั้งใจสมาทานตูมลงไปแล้วใจของเราเป็นไปกับกุศลศีลหรือในขณะที่เราให้ทานก็ดีรักษาศีลหรือกําลังเจริญสมาธิก็ดีเนี่ยกําลังกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกปุ๊บในขณะนั้นตอนนั้นกุศลเกิดถามว่าลักษณะของกุศลเราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้กุศลเกิดหรือไม่เกิดลักษณะกุศลก็คือเป็นลักษณะที่ไม่มีโทษ ไม่มีโทษก็คืออันวัชชาเนี่ยไม่มีโทษแปลว่าตอนนั้นน่ะคุณภาพจิตนั้นของเสียไม่มีเป็นจิตที่สะอาดเอี่ยมอ่องพองแผ้วเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเป็นจิตที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นแล้วตอนนั้นประการต่อมาก็คือเป็นจิตที่ไม่มีโรคจิตที่มีโรคก็คือจิตที่อ่อนแอใช่ไหมคนที่เป็นโรคกับคนที่อ่อนแอคนที่ไม่แข็งแรงคนที่หงอยเหงาซึมเศร้าเศร้าซ้อยหมดหวัง แต่ถ้ากุศลเกิดเป็นจิตที่อาจหาล่าเริงพ่องแผ้วแล้วก็คล่องแคล่วใช้การได้ดีนี่คือคุณภาพของจิตขนาดนั้นเกิดไหมพอเราสมาทานจงใจตั้งใจทำในสิ่งที่ดีๆเนี่ยคุณภาพจิตเหล่านี้เกิดหรือไม่เกิดนี่คือกุศลให้ผลแล้วในระดับจิตใจประการที่3มีความสุขด้วยสุขมีปลาโมดอิ่มใจเล็กๆ น, น้อยๆเกิดก่อน แล้วต่อมาก็มีปีติจิตก็พองขึ้นแล้วก็จิตเข้าถึงความสงบเป็นไปกับความสุขพอคิดสิ่งดีๆงามๆเมื่อไหร่ก็มีแต่ความสุขสมนานัสเกิดขึ้นเป็นไม่เป็นถ้าเป็นคุณภาพกุศลที่แท้จริงจะต้องมีแกนหลักอยู่คือปัญญามีความชาญฉลาดที่ลึกซึ้งมากกว่านี้ด้วยคือรู้เหตุและผลนี่แปลว่าเอาละ ตอนนี้กุศลและศีลเป็นต้นกุศลทานกุศลศีลกุศลสมาธิระดับที่หนึ่งให้ผลที่ไหนให้ผลที่ไหนให้ผลที่ไหนให้ผลที่จิตใจได้กันทุกคนไหมถ้ารักษาศีลแบบนี้ได้ไม่ได้อ้าวได้แล้วระดับที่สองให้ผลที่บุคคลิกภาพถามว่าคนที่มีคุณภาพจิตที่ดีจิตที่ ตั้งมั่นจิตที่บริสุทธิ์จิตที่พองใสจิตที่ไม่วอกแวกจิตที่ไม่อ่อนแอจิตที่ไม่มีของเสียจิตที่เป็นใบกระสมนัสเป็นไปกับยานปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงคุณภาพจิตอย่างนั้นจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีหรือไม่ดีนั้นนี่คือการให้ผลในระดับที่สองคือบุคลิกภาพบุคลิกภาพที่แสดงออกมาทางกายและทางวาจาจะเป็นบุคลิกภาพที่ใครเห็นก็ชื่นใจ บุคลิกภาเวลาจะไปพูดจากับคนอื่นจะพูดแบบน่ารักหรือไม่หรือน่าเกลียดน่ารักเชื่อมประสานกับคนอื่นก็เชื่อมประสานแบบอ่อนโยนน่ารักมีเมตตาเป็นตัวเชื่อมประสานความรักความปรารถนาดีเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างกายกรรมระหว่างวจีกรรมเวลาจะทําอะไรก็ทํำด้วยเมตตามีความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนเวลาจะพูดอะไรกับใครก็พูดด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีและเอื้อทอนบางคราวก็เป็นไปอย่างกับกรุณา ช่วยเหลือเผื่อเผื่อเผื่อแผ่เจียจารบุคคลอื่นอันนี้แปลว่าบุคคลิกภาพที่สองเนี่ยกุศลให้ผลหรือยังให้แล้วแต่อ น, นิสงส์ของศีลที่กำลังพูดเนี่ยเป็นระดับที่สเป็นระดับที่สเช่นความเป็นผู้สมบูรณ์ได้อวยอา ว, วาน้อยใหญ่ถามว่าเมื่อเมื่อไม่ค่า เมื่อผู้คลมีเจียรติจำนงมีความจงใจที่ไม่ฆ่าด้วยใจที่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนปรารถนาสัตว์ทั้งหลายมีความสุขมีอายุยืนเป็นต้นด้วยเจียรติจำนงรีทําลงไปก็กลายเป็นธรรมแต่กุศ ล, ลกรรมไม่เบียดเบียนแม้แต่โมดตัวเล็กๆไม่ต้องคิดถึงว่าสัตว์ที่จะใหญ่โตเหมือนมนุษย์หรือว่าสัตว์ทั้งหลายแล้ว แม่สัตว์ได้มีชีวิตเนี่ยเขาก็มีบทเขาก็มีภรรยาเขาก็มีญาติมิตรใช่ไหมยอมคิดว่ามดตัวหนึ่งเนี่ยเขาจะมีพ่อแม่ไหมมีไม่มีมีปู่ตายายายไหมเอาสิเนี่ ย, เ, เ, ยเราเคยเราจะฆ่าเขาสักตัวเขาเลยถามเราเคยคิดถึงหัวอกพ่อปู่ตา ai, ๆๆยายายเขาไหมว่าเขาจะต้องเดือดร้อนถ้าวันนี้เขามากันเอ๊ะลูกเราหายไปไหนเนี่ยเขาจะเดือดร้อนไหมเดือดร้อนไหมเดือดร้อน เขาก็ต้องร้องไห้ว่าวันนี้ลูกเราไปหาข้าวไม่เห็นกลับมาเลยใช่ไหมก็เหมือนเราลูกเราไปทำงานแล้วถูกรถทับตายเนี่ยแล้วก็ต้องเสียใจแล้วคนนั้นนะ่ะแต่เราไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ของเขาเท่านั้นแหละแต่โดยสารมันโดยสัตาตยาแล้วสัตว์ทั้งหลายมันรักมันทั้งนั้นแหละใช่ไมรักมัน น, นั่นแหละแต่ว่ามีกิเลสท่วมทับบางทีมันก็ ก, กัดกันบ้างแล้วก็ว่ากันไปเถอะ แต่จริงๆมันก็มีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีปู่มีตามีย่ามียายทั้งนั้นแหละฉะนั้นที่พูดถึงว่าความเป็นผู้สมบูรณ์ได้ไ ว, ว้าวาน้อยใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากกุศลศีลที่ซารักษามาในอดีตแล้วก็เห็นนี่เนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนั่งกันตาสลอนเนี่ยเราก็เห็นตาคนใช่ไหมบางคนตาขอภัยนะบางคนก็ตาสวยบางคนก็ตาไม่สวยใช่ไหม บางคนก็จะหมูกสวยจะมูกไม่สวยแสดงว่าอะไรเป็นตัวตกแต่งกุศลศีลข้อที่หนึ่งนี่แหละตกแต่งจมูกตกแต่งตาและอวัยวะทุกชิ้นน่ตัวกุศลศีนลนี่แหละตกแต่งโบราณก็บอกบุญทากรรมแต่งใช่ไหมล่ะเออกรรมมันแต่งมากุศลศีลแต่งมาทําให้ได้จมูกแบบนี้แหละบางคนเนี่ยเคยเห็นบางคนั้มมีตัวติดกันเน่เคยเห็นไหม ใช่ไวยวะส่วนเดียวกันแต่มีคนละคอคนละศีรษะเคยเห็นไหมเห็นเคยเห็นไหมอยากเป็นอย่างนั้นไหมโยมเคยเคยเคยสังเกตไหมเขาทําบุญอะไรมาเขาถึงติดกันขนาดนะั้นสงสัยเขารักกันมากไหมแปลกดีนะเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยถ้าเราเรียนเราศึกษาเรื่องกรรมเราจะไม่แปลกใจเราจะไม่แปลกใจว่อ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆ เข้าใจนะตรงนี้ระดับที่สามที่พูดเนี่ยเข้าใจนะครับทนาจะบอกว่ามันมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อในปัจจุบันเนี่ยมันทาให้เกิดความกังขาแต่เกิดแต่ศรัทธาสิอ้าวเขาถามยอมน่ว่ายอมแนก่ามีเชื้อโรคไหมมันมีแต่มันมองไม่เห็นไม่ยอมยอมเชื่อว่ามีไหมเชื่อเชื่อใช่ไหมแล้วยอมไปฟังใครมามันมีการพิสูจน์ใครใครพิสูจน์ให้ยอมเห็นสมัยเรียน ถามจริงตายโยมเห็นจริงๆเลยวะทาไมเชื่อไม่เพราะมันเป็นเรื่อยย้อนไปชั้นหนึ่งขึ่งโอ้โหมันมันยากที่จะเชื่อแต่สัตว์ตายก็เข้าใจไงว่าโยมโยมถึงบอกว่าหนึ่งกรรมให้ผลที่ด้านจิตใจโยมเชื่อไหมเพราะอะไร อา้าวและสองให้ระดับที่สองที่บุคลิกภาพจริงไหมจริงเออนีแล้วระดับที่สมระดับที่สมมีราบเสื่อมราบมียอดเสื่อมยศนินทาสารเสริญสุขและทุกข์สมหวังผิดหวังอมนุษย์เนี่ยสมหวังผิดหวังต่างกันไหมเอาเกิดมาเหมือนกันทําเหมือนกันทําไมมันผิดหวังสมหวังต่างกันลเลยกูก็เชื่อการ จริงๆแล้วเนี่ยคำว่า ก, กรรมเนี่ยมันต้องเรียนให้ชัดพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาเนะจะเป็นพพุทธเจ้าบอกจะเป็นชาวนาก็เพราะกรรมจะเป็นทหารก็เพราะกรรมจะเป็นกรรมกรก็เพราะกรรมจะเป็นพ่อค้าก็เพราะกรรมจะเป็นตำรวจก็เพราะกรรม จะเป็นเครื่องหอดีก็เพราะกรรมจะเป็นยาจกวันนี้พรก็เพราะกรรมจะเป็นราชาก็เพราะกรรมใช่ไหมจะเป็นคนขี้โกรธก็เพราะกรรมจะเป็นคนมีเมตตาก็เพราะกรรมจะเป็นคนชอบมาที่ยุคพุทธนี่ก็เพราะกรรมจะเป็นคนชอบนั่งสมาธิก็เพราะกรรมจะเป็นคนชอบเจริญนิพพสนก็เพราะกรรมยอมเชื่อไหมเป็นอย่างนั้นจริง เพราะกรรมในที่นั้นคือเจตนาหังพิกขเวกรรมมังวิดะวามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมก็เพราะยมมีเจตจํานงที่จะเป็นคนแบบนี้มันถึงเป็นอย่างนี้เข้าใจหยังนั่นแหละคือกรรมเพราะมีเจตนาที่จะขี้โกรธมันก็เลยกลายเป็นคนขี้โกรธเพราะมีเจตจํานงที่จะเป็นคนไม่โกรธมันก็เลยกลายเป็นคนไม่โกรธเพราะมีเจตนาที่จะเป็นทหารมันก็เลยไปต้องไปเรียนวิชาการที่จะเป็นทหารก็เพราะกรรมนี่แหละ ต้องการจะเรียนวิศวะใช่ไหมก็จะเป็นจ ะ, จะเป็นนักวิศวะก็เพราะกรรมจะนักไป็นเคมีก็เพราะกรรมจะเป็นหมอก็เพราะกรรมใช่ไหมจะเป็นคนขอทานก็เพราะกรรมเพราะเขามีเจตจํานงมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยเป็นอย่างนั้นเข้าใจหรื อ, อยังกรรมเนี่ยมันมีสอนส่วนนี้ด้วยปัจจุบันกรรมจงใจอย่างไรมันก็ได้รับผลในปัจจุบันอย่างนั้นด้วยดังที่ได้กล่าว oh. เช่นเจตกรณีที่บอกว่าเพราะเจตนาที่จะฆ่าสัตว์เนี่ย แล้วก็มีการทําค่าทำทำเจตจํานงเหล่านั้นให้เป็นไปจิตก็คิดก่อนตอนนั้นเจตจํานงในการที่จะฆ่าสัตว์เวลาจะคิดขึ้นมาตอนนั้นจิตขุนมัวหรือจิตไม่ขุนมัวขุนมัวไหมจิตก็ขุนมัวจิตก็เร่าร้อนจิตก็เป็นทุกข์จิตก็มีของเสียจิตก็ไม่สะอาดจิตก็สโปรกว้าวุ่นจิตไม่จิตก็เป็นไปกับความทุกข์เลยตอนนี้ไม่เป็นไปกับญาณปัญญาตอนนี้ให้ผลที่จิตใจสองบุคลิกภาพเป็นยังไง เนี่ยดูไม่ดีแล้วทั้งเร่าร้อนดุดันนเข้าก็แข็งกระด้างนเข้าก็เป็นคนไม่ค่อยอยากจะฟังใครดอกเนี่ยรักน่ะนีระดับที่สองระดับที่สามก็นี่ไงถ้ามันให้ผลก็คือคุณภาพแย่เลยคุณภาพชีวิตแย่เลยนี่คือระดับที่สามมันระดับที่หนึ่งมีก็เป็นปัจจัยต่อระดับที่สองระดับที่สองก็เป็นปัจจัยแก่ระดับที่สามก็เป็นเรื่องปกติ เมื่อมีหนึ่งก็ต้องมีสองเมื่อมี2ก็ต้องมีสามมีสามก็ต้องมีสใช่ไหมก็มันก็สืบทอดมาจากอีกหนึ่งสองสามนี่แหละมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงว่ามันจะเข้มข้นมากขึ้นอย่างไรเท่านั้นเองอันเดียวกันยอมที่พูดทั้งหมดเนี่ยเอางี้เวลายอมเล่าร้อนเนี่ยจิตเล่าร้อนเนี่ยบุคลิกภาพดีไหมไม่ดีแล้วใช่ไหมพอไม่ดีเรามาแล้วเนี่ยสีหน้าแววตากิริยาท่าทางจะออกมานงดงามหรือว่าน่าเกลียด ก็นี่ไงว่าความเป็นผู้สมบูรณ์ได้ไว้ว่าน้อยใหญ่มันก็เริ่มจะแปลเปลี่ยนตอนนั้นแล้วแต่ถ้ากรรมนั้นมันให้ผลโดยตรงที่รูปธปรรมมันจะตัดร้อนรูปธปรรม ท, ทันทีเช่นขาขาดมือขาดตาบอดหูหนวกจมูกแหว่งฟันหักหนังเหี่ยวย่นหน้าตาหน้าเกียดเอายกตัวอย่างเช่นยอมสังเกตัวนนะคนบางคนเนี่ย เกิดมาวยวะเขาจะบ่งบอกนะจะบ่งบอกความความเป็นผู้เขาทำกรรมอะไรมาคนบางคนมีสรีละเห็นหโค้งงอเห็นไหโค้งง อ, เ, งอเออบางทีก็โค้งงอมาตั้งแต่เด็กแหละยิ่งแก่ไปแล้ว ง, ง้มงอเคยเห็นไหมนี่ โลกและเทวโลกจงรู้ไว้ว่ากรรมอะไรให้ผลเขาเนี่ยเห็นไหมเขาเคยทำปันาติบาตเคยย่องที่จะไปฆ่าเขาเคยย่องไปลักทรัพย์เขาเคยด้อมด้อมมองมองที่จะไปประพฤติผิดในกรรมเขาเป็นต้นไอ้กรรมเหล่านี้ไหมมันก็มาจากระดับที่หนึ่งระดับที่สองนี่แหละพอมาระดับที่สามมาให้ผลที่รูป้ประธรรมเขาก็กลายเป็นคนแบบนั้นเยะ อาจจะเป็นกรรมในปัจจุบันภพนี้ก็ได้กรรมในอดีตก็ได้หรือในหลายๆร้ยอยอัตภาพก็ได้ถ้ามันตามมาให้ผลมันก็ยังอัตภาพให้กลายเป็นคนหน้างอม ง, งอบ้างหลังโคง้งงอบ้างเท้าแปรบ้างเรายอมว่าจะเดินไปรักทรัพย์เขาจะเดินไปอย่างร้องเพลงไปได้ไหมเดินไปอย่างยิ้มหัวเราะชื่นใจฉันจะไปรักทรัพย์คนอื่นเดินได้ไหมได้ไม่ได้ยอมไม่ได้ไหม ก็ต้องหลบหลบซ่อนๆสิเห็นให้เจลจํานองมันไปแล้วจิตมันเป็นยังไงตอนนั้นน่ะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขแล้วบุคลิกภาพเป็นยังไงโอ้โหเอางี้อะยอมลุกขึ้นมาแล้วยอมมานั่งพูดโกหกอาตมาเนี่ยจะพูดเพื่อทำยังไงก็ได้ให้อาตมาเชื่อเนี่ยยอมจะต้องทําท่าทําทางหน้าเกลเจไหมจะต้องทําท่าทําทางเชื่อเช่นเธอะ ตาถลนออกมาบ้างมือแปรบ้างอะไรสารพัดฉะนั้นคนบางคนออกมารูปลักษมันถึงเป็นอย่างนั้นไงแต่ที่จริงมันเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหนึ่งจิตใจสองบุคลิกภาพแต่ถ้ากรรมนั้นให้ผลบุคลิกภาพมันเขากลับไปอย่างเดิมไม่ได้มันก็กลายเป็นลักษณะตาถลนตาบางทีออกไปสองข้างเคยเห็นไหมตาข้างหนึ่งสั่งก๋วยเตี๋ยวอีหนึ่งสั่งโวตินเคยเห็นมไหมเขาเรียกตามไม่สามัคคีอะ่ะเคาเห็นไหมลอง ขอไพ่เนีมาพูดอาจจะเห็นภาพเลยละมากกว่านิดนึงไอ้พวกอยู่ร้านหนึ่งเขาไม่ได้มันสั่งเราเปล่านี่พวกจะจ้องจะทําให้เรื่อยมันอยากขายของที่ไหนได้เขาเขาไม่ได้สั่งทั้งคู่นั่นแหละไม่ได้สั่งทั้งคู่เห็นไหมว่าด้วยการที่ไปโกหกเขาบุคลิกภาพเสียไหมนี่ไงกรรมมันให้ผลอย่างนี้เขาถึงเรียกว่ามีอวัยวะที่ไม่เหมาะสม เรื่องมันยาวนะพูดเรื่องศีลเนี่ยแต่ามาเนี่ยเห็นว่าพวกเราเนี่ยพอจะเข้าใจแล้วนี่โมนาม า, มาบรรยายเรื่องการเจริญอาณาปณะสติสมาธิอามาก็เลยมาพูดเรื่องการเจริญานะณถ้าจะพูดเรื่องศีลก็ต้องจัดคอสต่างกันใช่ไหมพอแล้วพอแล้วอย่ามาไม่พูดเปิดประเด็นไว้แล้วนะแค่นี้พอเดี๋ยวมีการต่ออยู่มเาแล้วว่าไงเนี่ย ว่าไงเนี่ยอ๋อบริษัทกำจัดปวกเอว่ามาทำทำแบบป้องกันหรือว่าทำแบบว่าทำลายพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนเนี่ยเขาให้มีนโยบายเชิงลุกคือป้องกันไว้ไอ้ความประมาทความเผอลอเลอความพลาดพังนี่แหละไปปล่อยมันขึ้นมาแล้วนี่เขาเรียกทำลาย ถ้าทำลายมี่ผิดศีลป้องกันไม่ผิด <c oughs> อย่างนั้นเขาเรียกป้องกันเรียกล่อมันมากินไอ้ป้องกันจริงๆเขาจะมะีไม่ให้มันขึ้นป้องกันให้มันเหม็นให้มันอะไรเงรี้ยเยอะไม่ให้เข้ามาอย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าป้องกันหรอกแม้ถ้งนั้นก็ยุ่งดียอมถ้งนั้นนี่ย ถ้ันโยมก็อาใสยก็ดีเอาสุ่มก็ดีเอาอะไรต่างๆเอาเหยื่อใส่เบ็ดโยนลงไปในน้ําเนี่ย <S <S ใช่ไหมแล้วเราบอกนี่เราป้องกันนะคุณมากินเองไงคุณมาเข้ารอบเข้าใส่ฉันเองยังดึงขึ้นมานี่คุณเสร็จฉันแล้วนี่คุณเป็นอาหารของฉันอย่างนี้ได้ที่ไหนแล้วใช่ไหมถ้าป้องกันจริงๆก็คือมันจะมีตอนนั้นเขาไม่มีเขาไม่อยู่ แต่ก็ใช้วิธีทําให้เขาเหม็นทําให้เขากลัวหรือทําให้เขาไม่เข้ามาในบริเวณนั้นเพื่อจะมาเป็นอันตรายต่อเราอีกทีนี่คือป้องกันแต่ว่าไอ้กำจัดนี่เพือปล่อยเผลอเลยไม่ได้ทําวิธีการป้องกันเลยให้มันขึ้นมาพอขึ้นมาก็มาตีโพยตีพายว่านี้ฉันไม่ทําก็ไม่ได้ใช่ไมเพรก็มันขึ้นมาแล้วเนี่ยฉันก็ต้องไปจัดการไปทำไอ้นี้มันไอแปลว่าพุทธบริษัทไม่ฉลาดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว พระเจ้าเนี่ยสอนเรื่องความการป้องกันนะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็ให้เขาอยู่ในที่ของเขาเราก็อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ของเราและในขนาดเดียวกันก็คือไม่ทําลายซึ่งกันและกันใช่ไหมโดยหลักการอย่า ง, างนั้น อ, อมีอะไรไหมอ่าตอนนี้เห็นไหมว่ากรรมเนี่ยมันให้ผลในระดับที่หนึที่จิตใจ ทั้งกุศลก็เป็นอย่างนี้แหละอกุศลก็เป็นอย่างนี้แหละเขาบอกเป็นอย่างนี้แหละแปลว่าอกุศลให้ผลเป็นสุขหรือทุกอกุศลก็ให้ผลเป็นทุกุศลก็ให้ผลเป็นสุขนะบุคลิกภาพอกุศลให้ผลเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีถ้ากุศลก็ให้บุคลิกภาพที่ดีระดับที่สนี่แหละระดับที่นี้แหละ ถ้าเป็นกุศลละศีลก็ให้ผลคือถ้าให้อวัยวะก็คือถ้างดเว้นจากการฆ่าก็ อ, อวัยวะน้อยใหญ่สมบูรณ์มากถึงพร้อมด้วยส่วนสูงและส่วนกว้างเออแปลกไหมบางคนเนี่ยมีส่วนสูงและส่วนกว้างไม่บาลานซ์กันเคยเห็นไหมเอาไม่ได้เอาตัวเราเลยแนะบางทียังไม่ต้องคนอื่นนะ่ยดูตัวเราเนี่ยชัดที่สุดแหละบางคนก็ส่วนส่วนสูงกับส่วนกว้างน่าจะสมดุลกันกันนี้ไม่สมดุล เหตผลที่เป็นอย่างนี้เพราะกรรมคือบปธิบตัตกรรมคือบปธิบตัตในขณะที่เราไปทบไปตีอะไรเขาเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้ทําให้อวัยวะของเขาเนี่ยแทนที่เขาจะได้สัสดส่วนที่ดีมันที่ไปทุบเขาจะจนใช่ไหมไม่สมไม่สมสัดส่วนเช่นไปทุบขาเขาจะเสียเลยเงี้ย หรือไปทบขาเขาให้มันเกิดหรือไปตัดเส้นเขาสักเส้นสองเส้ น, น, นเงี้ยนะแต่เขาค้าเขากลายเป็นขารีบๆแต่เขายังเดินพอเดินได้อยู่เงี้ยเออเขาก็มีส่วนสูงเงี้ยนะแต่ส่วนกว้างยังไม่เท่ากันแต่ไม่สมดุลกันอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะในร่ังกรรบนเนี่ยถ้ารักษาศีลเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบมีชาวปัญญาดีนะยอมเวลาไป เช่นเรากำลังไปพบไปทรมานคนอื่นตอนนั้นสติปัญญาเขาดีหรือไม่ดีตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ค่อยออกหรอกใช่ไหมและกรรมเหล่านั้นเวลาให้ผลเราจะเป็นแบบนั้นกลายเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยออกอย่างเก้ดูดีคนบางคนมีเท้าตั้งอยู่เหมาะสมมากแต่บางคนไม่เหมาะสมเท้าก็ะโยงบ้างเดินบางทีลงส้นบางทีก็ลงจีบลงนี้บางทีเท้าก็โย ง, ง เ, งงงงงเยอะแยะหมดอันนี้ก็ในการที่เรา ย่องย่องบ้างอะไรบา้างวปฆ่าสัตว์ไปด้วยความสวยงามความเป็นผู้อ่อนโยนอันนี้เนี่ยความสะอาดความกล้าหาญความเป็นผู้มีกำลังมากรายละเอียดมันเยอะโยมเอามาจะไม่อธิบายตรงนั้นแหละแต่ว่าต้องการพูดโดยรวมๆว่าเห็นไหมว่าเมื่อโยมมีเจตจำนงที่จะฆ่าคนเยอะๆจะเบียดเบียนคนมากๆจิตมันแข็ง บุคลิกภาพเสียอัธยาศัยอย่างการแข็งกระด้างก็ตามมาแต่ถ้าในขณะที่เจต จ, จำนงในการรักษาศีลเนี่ยจิตมันจะอ่อนโยนบุคลิกภาพก็อ่อนโยนผลก็คือกลายเป็นคนอ่อนโยนมผิวก็สวยนะคนที่คนที่ไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยคนที่รักษาศีลข้อที่หนึ่งดีผิวสวยทำไมจึงสวยเพราะเราไม่เคยไปทำคุณภาพชีวิตเขาให้แย่เลยอะ มีแต่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเขามีแต่การดูแลสุขภาพให้สุขภาพเขาดีใช่ั้มมีแต่ให้อาหารให้ข้าวให้น้ำเขาให้ยาบารุงเขาเนี่ยมันมันจะตรงกันข้ามเนี่ยยกแล้วก็เกิดมาเนี่ยอัตภาพตัวเองมันดีเลยนะคนประเภทเนี้ยผิวก็ดีคุณภาพชีวิตก็ดีไม่มีแหมเปิดดูผิวก็งามสวยหมดอะของเราเนี่ยเราเปิดดูมดูไม่อยากดูเลยเคยนะ บางทีเราพอจะหลอกหลอกคนอื่นได้นะอะไรปิดปิดปิดปิ ด, ป ด, ปดบ้างพอเปิดไปด้วยตรงนี้ก็เป็นจ้ำจ้ำบ้างอะไรบ้างเคเป็นไหมโย่เนี่ยมันมีลักษณะที่ไม่งามเพราะกุศลศีลข้อแรกเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะเราเห็นอานิสงส์แบบนี้และเห็นโทษอย่างนี้เราจึงไม่ปรารถนาใช่ไหมยอมเห็นแบบนี้ไหมเวลายอมจะรักษาศีลเห็นไม่เห็น ต้องเห็นทั้งสามสี่ระดับนี่คือระดับที่สามถ้าระดับที่สี่นอกจากจะให้ผลตนเองแล้วยังให้ผลต่ออะไรสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมบางคนเนะี่ยได้บุตรก็ได้บุตรที่งดงามบุตรที่รักษาศีลมาเกิดน่ะบางคนได้บุตรก็เป็นบุตรที่ทุศีลมาเกิดเพราะอะไรกรรมของตนเองมันสอดคล้องเอา ตอนนี้คุณได้เห็นได้สเสวยได้บริโภคได้อยู่ร่วมกับคนแบบนี้เข้าใจยางกรรมมันจะให้ผลสี่ระดับอย่างเงี้ยสี่ระดับอย่างเงี้ยฉะนั้นจึงควรรักษาศีลข้อหนึ่งหรือไม่ควรควรรักษาอย่างจริงจังหรือเล่นเล่นควรรักษาแบบเป็นพิ ธ, ธีการหรือรักษาแบบความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเห็นไมต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งไม่ใช่สักหรือว่ารักษา นี่มันก็มีปัญหาที่แต่เนี้ยอย่าแปลกใจว่าเวลามาทําสมาธิก็ทํากันยากเลยแต่ใช่ไหมเอาถ้าเราเนี่ยโอ้โหดูศีลข้อแรกก็ไม่เคยบอกพ้องมาเลยเนี่ยเนี่ยคิดมาเนี่ยตั้งแต่เช้าจนถึงเนี้ยไม่เคยบกพ่องสักนิดเลยเอาขยับไปเมื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าจดเย็นก็ไม่เคยบกพ่องเลยเอาขยับไปทุกวันทุกวันทุกวันคิดไปเป็นปีเลยเนี่ยไม่เคยบกพ่องเลยในศีลเหล่านี้ยอมจะ น้ำตาไหลไหมพิจิตรไหมพิจิตรแต่ตอนนี้คิดไปพิติเกิดไหมเนี่ยพิติตรมันไม่มันไม่เกิดด้วยเศร้าใจด้วยนะเอ้ยวันนั้นก็เล่นไปหลายตัวเว้ยใช <c oughs> ่ไหอยากขึ้นบ้านดีนะเมื่อกี้โอ้โหเข้าไปในห้องน้ำโอ้โหเต็มหมดเลยทำไงดีเนี่ยเราไม่เห็นดีกว่าเปิดน้ําทิ้งเขาไว้เดี๋ยวมันก็ไหลลาดไหลลงไป ไม่หนีเรื่องเองไม่หนีเรื่องเองเคยเป็นไห ม, มเลก็ปล่อยน้ำมันลาดเดี๋ยวมันก็ไหลาตายไปตามน้ำแล้วก็ไม่ไม่ได้ํำนึกอะไรหรอกถือเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมไม่คนส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้จริงๆอาจารย์นะกรูก็ทำบดเนี่ยนะมันตีอยู่ สิ่งร่าจารเราจะมีมดอยู่ตัวตแต่เนี่ยตอนนถ้าเราจะกินมันขึ้นมาเนี่ยเรากินฆ่ามันตายลงไปมันจะเกิดข้อการฆ่าสัตว์พราเราเจตนาที่จะช่วยมันเนี่หนึ่งสัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตส ม, มีจิตคิดจะฆ่าสทําความเพียรเพื่อฆ่า5สัตว์ตายลงเพราะความเพียร นี่คือองค์ประกอบในการเป็นปฏิบัติครบกรรมบทหรือไม่ครบมันไม่ครบก็ไม่เป็นแต่มีบาปไหมครับเพราะเราทำเกิดคือเราจะช่วยมันเนี่ยมันว่าดเนี่ยก็จริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเออมันไม่เป็นกรรมบทมันไม่เป็นอคุศลกรรมบทก็คือไม่ครบองค์เมื่อไม่ครบองค์กรรมเหล่านี้ก็ไม่นําลงในอบายเออกรรมไม่ลงนั้นไม่นําลงอบาย แต่ถ้าจะถามว่าเป็นบาปไหมเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดอีกเยอะมีหนังสือเกี่ยวกับตรงนี้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาต่างหากจะได้ศึกษาที่ละเอียดมีออตอง เอาอาเดี๋ยวเของค่อยว่ากั น, นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บางทีเอาา๊ะเอามาเะขาดการู น, หนาหรือเปล่าคิดเๆบางทีเอามาไม่เอามาเวลาจะจะพูดเรื่องอะไรเอามาก็จะพูดไว้ครึ่งหนึ่งและในขณะเดียวกันก็พยายามปิดตัวเองไว้เหมือนเอามามาพูดเรื่องการเจริญานาปนสติสมาธิ ว่าเป็นกรรมฐานที่เป็นประธานของกรรมฐานทั้งปวงที่ไม่เป็นหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสงถือเป็นเรื่องจำเป็นเรื่องสำคัญของการที่จะเดินกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานหลักและเดินเข้าสู่กรรมฐานอื่นเป็นต้นพอเดินพอมาพูดพู ด, พ, ดพูดแล้วเนี่ยห็นให้พวกเราเห็นความสำคัญกันแล้วว่าเออมันเป็นความสาคัญในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่เราจะขับเคลื่อน กรรมฐานหลักและก็บริดกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงยกย่องและสรรเสริญมากที่สุดกว่ากรรมฐานทุกกรรมฐานเนี่ยพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะประเด็นก็คือว่าเอาละเห็นพวกเราเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยแต่ถ้าถามว่าและเขาจะไปศึกษาอาณาปณะสติเนี่ยให้บริบูรณ์และครบรูปแบบได้อย่างไร ไอ้ตรงนี้อะอมาก็เลยบอกว่าท่านทั้งหลายก็ให้ไปค้นคว้ากัน <c oughs> เลยหลายคนเขา อ, อ้ท่านอาจารย์จัดคอร์สแล้วก็ระดมสอนให้เป็นกิจจลักษณะเลยได้ไหมเนี่ยอมาก็เลยโอ้โหมันเป็นงานหนักเลยนะจริ ง, รงท่านอาจารย์ก็รังงานตานี้ลครับ <c oughs> ใช่ ก็รู้อยู่แต่จริงๆประเด็นคืออย่างนี้เอามาทํามานานแล้วไงเข้าใจใช่ไหมถ้าทำครั้งเดียวจบก็เพราะว่าไอ้ทีนี้เอามาไปสมมติเอามาไปจังหวัดหนึ่งใช่ไหมมาไปอยู่จังหวัดสมมติไปอยู่จังหวัดในรบบุรีเอามาก็ไปทําที่รบบุรีเอามาโอสบายแล้วจบแล้วเอาพอไปที่กาญจนบุรีคนบอกว่าคุณทําอย่างิ่งๆสิ อ้าวเอามาก็ต้องมาการุณะทําทำอีกแล้วเอาพอมาที่กรุงเทพอ้าวต้องทําอย่างงี้เอามาก็ต้องมาทําอีกเอาไปที่แปดเลียวเอาทำอีกอยู่อย่างเงี้ยนะนี่ทำทำทำมาหลายรอบแล้วพอมาตรงนี้วามาทําอีกแล้วยอมถ้าเป็นยอมเป็นอามายอมทําไงใส่คุณต้องทำครับมันผยไม่ได้นะครับคุณผู้นักชาตมันหยุดไม่ได้นะครับหยุดได้ที่มนุษย์ต้องหยุดได้สิ ใช่ไหมล่ะมันนุ่ก็ต้องเออตรงนี้ก็เลยตรงนี้แหละบางครั้งอ า, าก็อยากจะบอกเต็มที่เลยนะแต่พอพูดไป พ, พูดมามาก็จะหยุดไประยะระยะเลยตอนนี้จะทำยังไงที่แต่ยิงปรารถนาดีกับพวกเราเนะี่ยว่าเอาแล้วจะพยายามให้โยมที่รู้จักกันเนี่ยพยายาม ผ, ผลิตกําราออกมาให้พวกเราก็แล้วกันดีไหม พวกเราก็เออเอาตำราไปอ่านใช่ไหมเอาซีดีไปฟังเอาตำราไปอ่านดีไหมเพราะว่าถ้ามานั่งจัดกันอย่างนี้ตลอดเนี่ยไ้่ทำเดี๋ยวตายกันก่อนจริงไหมเชื่อไหมพวกเราเนี่ยมีข้อจํากัดในการอยู่ในโลกใบนี้กันทุกคนเลยเนี่ยมีข้อจํากัดมากเลย ยอมมาปรึกษาลมให้ลมหายใจของตนเองตลอดเลยนะปรึกษาลมหายใจของตนเองตลอดเลยนะว่าเออเราจะอยู่ได้กี่วันอยู่ได้กี่วันแต่ละวันที่อยู่แต่ละวันแต่ะวันเนี่ยรู้สึกว่ายอมเชื่อไหมว่ากระแสะชีวิตที่เป็นอยู่แต่ละวันนี่เป็นภาร ะ, ะมากมันมีภาร ะ, ะมากจริงๆตั้งแต่แม้กระทั่งไม่ต้องพูดถึงตอนนอนก็เป็นภาร ะ, ะมาก ที่เราจะต้องนอนเนี่ยนะพอตื่นขึ้นมาก็เริ่มเป็นภาระที่เราจะต้องจัดแจงดูแลประคบประงมใ น, นจะต้องไปยืนไปเดิ น, ไ ป, ดนไปนั่งไปนอนใช่ไหมไปกินไปดื่มไปเคี้ยวไปลิ้มไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะไปยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดแล้วต้องเป็นนิ่งเน่ยนะโอ้โหมันมีภาระเต็มไปหมดเลยนะยอมคิดวันเป็นขันธภาระที่มันเป็นภาระหนักไหมถ้ามาเห็นว่ามันเป็นภาระมากเลยนะ เป็นภาระมากๆเลยที่จะต้องพยุงกระแสชีวิตไปแต่ละวินาทีเนี่ยกว่ามันจะเป็นเดินไปได้แต่ละวินาทีมันเป็นภาระมากนึกถึงพระดํารัสของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่บอกภาระเวปัญจักขันธ์านเนี่ยว่าขันห้าเป็นภาระมากยกขันธภาระขึ้นมาแล้วในขณะปฏิสนธิทีนี้ก็จะต้องบริหารขันธภาระมาอย่างแสนสาหัสเลยลําบากมาก และในขณะเดียวกันเมื่อมารู้มาเข้าใจคำสอนในระดับหนึ่งแล้วเราก็จะต้องมาแนะนำกันบอกกันแต่ไม่ง่ายเลยนะกรณีที่เราจะบอกแต่ละเรื่องแต่ละอย่างเพื่อจะทำให้มนุษย์เนี่ยพัฒนากระแสชีวิตของตนเองให้เดินตามมรรคายองพระรยาเจ้าเนี่ยยากมากนะเพราะโดยส่วนใหญ่นะมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยเราได้วิชาที่ผิดเราไปเสพเรียนวิชาที่ผิด เราไม่เคยถูกสอนวิชาพ้นทุกเลยนะที่เราเรียนกันมาทั้งหมดเนี่ยมีวิชาหาข้าวกินทั้งนั้นน่ยใช่ไหมวิชาที่เราเรียนกันเป็นล่าเป็นสรรเรียนเอาเป็นเอาตายเรียนแพทย์เอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยยอมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายกันเนี่ยเป็นวิชาหาข้าวกินวิชาหาที่อยู่อาศัยวิชาหาอาหารวิชาหาเครื่องนุ่งห่มวิชาหายามารักษาก็สรุปก็คือวิชาหาข้าวกิน ไอวิชาหาข้าวกินเนียอมยังทุ่มเททั้งชีวิตจิตใจขนาดนั้นท่องกันแล้วท่องกันอีกต้องถามที่เด็กที่อยากจะไปทำงานเนี่ยพยายามจะไปเรียนแม่ก็คือจะหาข้าวกินนี่แหละว่างั้นเถอะแต่วิชานี่ทั้งๆที่มันก็แค่โลกใบนี้ยังทุ่มขนาดนี้แต่ถ้าเรารู้คำสอนของพระเจ้าระดับหนึ่งเนี่ยเรารู้ว่านีมันวิชาพ้นทุกข์ ไม่มีใครสอนได้ในจักรวาลนี้มีท่านผู้เดียวคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เท่านั้นแหละที่จะสอนวิชาพ้นทุกข์แต่ทุกวันนี้เวลาเราเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ยมันมีนักตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเยอะใช่ไหมมักมันตัดแปลงนี่มันก็เลยไม่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไปทีนี้ก็กลายเป็นวิชาผสมใช่ไหมเออเนี่ยวิชาของพระพุทธเ้านั่นคือวิชาพ้นทุกข์ นั้นของเดิมแท้ที่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระอาจารย์พระดีกาอาจารย์ท่านพยายามอธิบายให้อยู่ในกรอบให้ให้ความเข้าใจให้ชัดแล้วพุทธบริษัทปฏิบัติตามแล้วจะได้พ้นจากทุกเนี่ยนิวิชานียมีแห่งเดียวในโลกก็คือของพพุทธเจ้าแต่ถามว่ามนุษย์เนี่ย เคยใส่ใจจงใจตั้งใจที่จะศึกษาวิชานี้กันจริงจังแค่ไหนบางคนเนี่ยทุกใจมากมาเจวันแล้วดูลมกระทบไม่ได้เครียดบอกไม่เอาแล้วเห็นไหมว่าเจ็ดวันฟังด้วยแล้วจะปฏิบัติให้ได้ด้วยเนี่ยยอมคิดว่ายอมให้ยอมวางใจเป็นกลางกับวิชานี้ไหม ถ้ายอมจะไปเรียนวิศวะเนี่ยบอกเรียนเจ็ดวันคิดว่าเขาจะให้เราผ่านเอาใบเอาใบประกาศให้เราแล้วให้เราไปทํางานได้ไหมเอาเรียนหมอเรียนเจ็ดวันเนี่ยบอกเ อ, อันนี้คนนี้ไปเข้าอบรมหมอถ้างั้นมันจะมีหมอเต็มบ้านเต็มเมืองเลยใช่ไหมเนี่ยที่นั่งอยู่นี้จะต้องเป็นหมอเต็มไปหมดแหละถ้างั้นหมอคงไม่ขาดแคลนหรอกนี่ขนาดวิชาหาข้าวกินนะยอมนะ วิชาดูแลรู ป, ปากายยังต้องใช้เวลาตั้งหปี10ปี12ปีนะแต่เวลาเราจะมาเรียนคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเราทำํำไมใจร้อนกันจั ง, จงเข้าใจไหมโอ้โหพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีมาทั้ง20่สิบสองขายยิ่งด้วยแสนมหากัาบเนาะคนคว้าวิชาเนี้คนคว้าวิชานี้แล้วก็มาบอกเนี่ยเออแต่พวกเราคิดจะเรียนแค่สองสาวันแล้วก็จะให้มันรู้ทะลุทะลวงเลยยอมว่าเป็นไปได้ไหม แล้วพวกเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรียนไม่ค่อยประติดประต่อไปดูเถอะเข้าไปที่บ้านแล้วจะาโอโ้โหครูบาอาจารย์เยอะหมดเต็มหมดเอาอะสินีบางทีไปเปิดวิทยุก็ไว้เอาเวลานี้องนั้นมาทเทศ เวลานี้คนนั้นมาบรรยายเวลานี้คนนี้มาบรรยายใช่ไหแล้วก็รับไปหมดทีนี้รับรับนะครับนะครับ เ, เ, เลยสรุปเองแลวว่าดีทั้งหมดว่างั้นดีทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดก็คือสติปัฏฐานจบเลยใช่ไหมแล้วมันจริงหรือยอมเชื่อเป็นงั้นจริง เข้าใจไหมว่าอะไรมันเกิดขึ้นเออนี่คือสังคมไทยนี่นี่ก็มาเล่าให้ฟังว่าเออมันเป็นแบบนี้เลยอมนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ย่าแปลกใจว่าบางครั้งเราก็ต้องท่องคําว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใช่ไหม บางทีเราก็ต้องปล่อยวางใช่ไม่ใช่เราจะไปทุกได้ไหมไม่ได้ต้องโอ้สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมของสัตว์จริงๆเมื่อเขาสั่งสมอย่างไรตั้งอัธยาศัยอย่างไรเขาเคยสร้างเหตุปัจจัยที่ผิ ด, ผ, ดผิดมาหรือถูกถกูมาอย่างไรเขาก็เป็นไปอย่างนั้นแหละนื่นยอมก็จะเห็นมีอยู่สมัยหนึ่งพระบรมศาสสดาเนี่ยไปนั่งอยู่บนเขาคิจกูดก็ชี้บอกภิกษุทั้งหลายเธอเห็นไหมภิกษุบางกลุ่มก็นนเดินตามพระ ภาษาบุตรเออกลุ่มที่ชอบปัญญาก็นู้นไปหาภาษาริบุตรเนี่ย น, นะเดินกันเป็นแถวเลยกลุ่มที่ชอบทางลิตอิทธิลิตรที่ทั้งหลา ย, ลยเดินตามพระโมคคัลลาน่าเป็นแถวเลยนะกลุ่มที่ชอบเชพระจักขูทั้งหลายตาทิพย์ก็นู้นเลยไปพานุรุท ธ, ธะกลุ่มที่ชอบทุดดงขวัตทั้งหลายเดินตามพระมหากระสอบเป็นแถวไป็นแวนวฮะกลุ่มที่ชอบบำเพ็ญความเพียรค่อนข้างอย่าอุกปิดก็เดินตามพระโสดนาคุติกนันหเนี่ยนะ กุมที่พระชอบที่จะทรงบัณฑิตบิดกทรงคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างก็เดินตามพระอานนท์แต่พระรามกทั้งหลายเดินตามพระเทวทัตเป็นแถวเลย <c oughs> เห็นไหมเออศาตร์โลกมันตามกันอย่างนี้ยม อ, อัธยาสายัยพระสั่งสมมา ย, ยังไงมันตามกันอย่างนี้จริงๆยอมเคยเคยคิดไหมว่าเราจะตามใครเราจะตามใครอ่ะ เรานี่ตั้งเจตจำนงไว้ว่าเราจะเดินตามใครดีตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมถ้าตามพระพุทธเจ้าเราจะให้ใครเป็นผู้เชื่อมเราเข้าไปถึงพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราจะไปเองนี่ยากไหมเอายอมหาต้องหาให้ถูกนะตรงนี้นะถ้ามามาประกาศตนเองเอเนี่ยตามอาตมาสิอา ม, มาจะพายอมไปหาพระพุทธเจ้านี่ยอมอย่าเพิ่งไปเชื่อนะ แต่ยอมไม่ใช่ปฏิเสธนะยอมต้องฟังนะแต่ถามว่าประเด็นวยอมมีถ้ายอมเป็นหมอเนี่ยถ้ายอมอ่านวิชาหมอมาอย่างดีแล้วเนี่ยวิชาแพทย์มาอย่างดีแล้วถ้ามีคนค น, นึงมาพูดเรื่องวิชาแพทย์ผิดเนี่ยยอมจะรู้ไหมรู้เลยใช่ไหมอันเดียวกันถ้ายอมรู้คําสอนพระเจ้าแล้วยอมจะสามารถรู้ว่าใครมาพูดคําสอนพระเจ้าผิดหรือถูกนี่แหละอยากให้พุทธบริษัทแข็งแรงอย่างนี้แหละ คุตรบริษัทจะได้แยกแยะถูกว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกินมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยก็จะได้เข้าใจชัดนะเอาล้วตรงนี้ก็คือพูดนีเรื่องไปปธิบาตย้อนกลับมาพปปธิบัติเออความเป็นผู้มีถ้อยคำสละสรวยความเป็นที่รักพอใจของสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นผลของการไม่ฆ่าทั้งนั้นแหละ ความเป็นผู้มีบริษัทไม่แตกแยกยอมเวลายอมไปประทุศลายคนอื่นเขาเนี่ยบริษัทเขาแตกแยกไหมเขาต้องภากจากพ่อจากแม่จากบุตรจากภรรยานะกรรมเหล่านั้นเน่ยอย่าแปลกใจนะมนุษย์ที่เกิดมาทุกวันนี้หลายๆคนก็คำพ้าพ่อคำพ้าแม่มาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยถ้าดูๆกันแล้วเนี่ยเราเคยพาคใช่ไหมบางคนก็โอ้อยู่ครอบครัวก็ไม่เคยพากจากกันหรอก เนี่ยเราก็จะสังเกตอ่ะในโลกใบนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปโยให้เข้าใจอย่างนี้ถ้ายอมอ่านศึกษายอมจะเข้าใจว่ากรรมอะไรมันให้ผลอะไรแล้วก็ความเป็นผู้ไม่สะดุ้งหวาดเสียวสังเกตดูนะว่าคนที่ไม่ทาปานาธิบาตมาจะเป็นคนไม่กลัวคนแต่ไม่ใช่ไม่กลัวแล้วไปท้าทายเข้ามาทุบมาตีนะไม่กลัวเพราะเป็นคนที่ไม่เคยทา ชั่วเคยเดี๋ยวอามาก่อนจะมาเนี่ย ม, มาไปเยี่ยมโยมที่เป็นลูกเศรษยอู่คนเออเอามาเล่าได้เมื่อกี้เพิ่งไปดูมาถ้าเป็นบางคนเนี่ยอามาก็มันนึกอเอเมื่อก่อนจะมาเนี่ย ม, มาก็ไปเยี่ยมกันนอนที่โรงพยาบาลอามาก็ไปถาม เออเป็นยังไงยมก็เล่าให้ฟังว่าเ้าไปป่วยอยู่ต่างประเทศเ้าทำงานอยู่บนเครื่องบินนี่นะไปป่วยทีนี้พอป่วยแล้วเนี่ยก็โอ้โหค่บป่วยสั่นหนาวก็ไม่รู้เป็นอะไรก็กินยาก็ไม่หายปวดแต่ก็พอทนได้ก็ฝืนทำงานไปทำงานบนเครื่องบินเนี่ยเป็นสะจวัการบินทำงานสองวันสามวัน ถึงวันที่สี่กลับมาพอกลับมาก็รีบไปหาหมอหมอก็ไปตรวจพอไปตรวจดูผลปรากฏว่าไส้ติ่งเนี่ยแตกมาตั้งสี่วันเลยแต่บุญอะไรรู้ไหมไอ้ไขมันดีมันเป็นหุ้มหนองเขาไว้ไม่ให้กระจายยอมว่ามันเป็นโชคดีใช่ไหมมันฟกใช่ไหมไม่ใช่หรอก นี่ไงผลของเจตนาที่งดเว้นจากปาธิบาตก็ไปนั่งคุยว่าในชาตินี้ผมเป็นคนไม่ฆ่าสัตว์เลยครับแม้แต่หมดผมก็ไม่ทําตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละโอ้โหหมอเขาผ่าไปดูโอ้โหนี่เป็นความอัศจรรย์มากว่านั้นเลย เป็นคนฟังทมสมาทานศีลตลอดบางทีโดยเฉพาะเนี่ยข้อปฏิบาทนี่ไงว่าถ้าเป็นวางคนเนี่ยถ้าแตกไม่ไปไม่ทนันแค่สีหชั่วโมงก็ตายแล้วอันนี้นตั้งสี่วันเงี้ยแล้วยังทำงานอยู่งั้นแหละเพราะต้องดูแลผู้ดโดยสารนี่ไงว่ากลัวกุศลศีลเนี่ยนี่เขาเรียกว่าทำมังสรารนังขาฉามิ ศีลนี่แหละเป็นธรรมะเป็นสารณะเป็นเครื่องคุ้มครองกระแสชีวิตทําให้ชีวิตน่ะรอดปลอดภัยจากอุปสรรคและพิษอันตรายเขาจะยังนี่เป็นอย่างนี้งั้นจงมั่นใจว่ า, วาพระ พ, พ, พ, พระรัตนตรายนี่คุ้มครองแบบนี้คุ้มครองอย่างนี้แหละไปก็เลยไปสาธยายธรรมะให้ยอมฟังอยอมกุญธิใจกุญใจว่ า, วาโอ้เนี่ยเขาบอกผมมั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกข์ใจคือ ตอนทุกตอนปวดผมทำสมาธิจเจริญกรรมฐานไม่ได้เลยถ้าผมตายผมคงตกนรกแ น, น่ๆ เ, เห็นั้มเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นใจไม่ดีเลยอะ่ะใจมันเป็นทุกข์ฟังธรรมะก็ไม่ได้มันหงุดหงิดไปหมดเลยเพราะทุกขเวทนานรบกวนไงยอมทุกขเวทนารบกวนเข้าใจไหมฉะนั้นทำไมเราต้องมาฝึกพระยาอยางว่าต้องรีบฝึก แล้วก็ฝึกให้ต่อเนื่องฝึกทุกวันฝึกให้ติดต่ออยา่าอย่าทาแบบหยุดหยุดทําำหยุดหยุดทำทำต้องทําให้ต่อเนื่องทํำจนมั่นใจตัวเองว่าถ้าเราจะเจอโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนขนาดไหนเราวางใจได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้อ่ะก็แปลว่าทําสารณะทาที่พึ่งให้กับตนเองไม่แค่ไม่ใช่แค่รักษาลูประกายอย่างเดียวแต่คุณภาพทางจิตใจจะต้องมีพลังของสมาธิอย่างสูงด้วย ในการที่จะดูแลใช่ไหมสำคัญไหม mm hmm. ระหว่างรูปกายกับ น, นามกายรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยไหนสำคัญกว่ากันนามธรรมเนี่ยจะต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าทำให้เป็นกุศลศีลแล้วเจตจำนงเดวนนั้นจะรักษากระแสะชีวิตนี่ผลของผลของการไม่ฆ่า ไ, ได้ผลอย่างนี้แหละ แต่ถ้าหากว่าผลของอธินาทานนะดูอธินาทานอีกข้อนึงความเป็นผู้มีทรัพย์และเข้าเปลือกมากไอ้เข้าเปลือกก็เป็นตัวแทนของสมบัติทั้งหมดแหละความเป็นผู้มีโภคะเป็นอเนกอนันต์ความเป็นผู้มีโภคะที่ยั่งยืนยอมเคย ยอมเคยเห็นไหมว่าบ้านบางบ้านเนี่ยเวลามีทรัพย์แล้วเนี่ยมีทรัพย์แล้วเนี่ยโดนป้นตลอดเคยเจอไหมไอ้บ้านอื่นเนี่ยบ้านบางบ้านเนี่ยไปอยู่ยังไงเขาก็ไม่ป้นไอ้บ้านนี้ของหายแต่เห็นไหมเนี่ยบางคนมีทรพัทรพย์ทรัพย์ยั่งยืนนี่ผลของการไม่รักนะผลของการไม่รักทรัพย์นะ การได้โพคทรัพย์ตามที่ต้องการอย่างฉับพลันยอมเคยหวังจะได้ทรัย์อะไรแล้วมันได้ทันทีไหมคนเกตดูไหมบางคนเนี่ยหวังก็หวังไปเถอะไม่ได้แต่บางคนนี่เขาหวังเขาได้ทันทีเลยนะใช่ไหมเหตุผลอย่างนี้ก็คือเนี่ยไอ้ศีลข้อ น, นี้ความเป็นผู้มีโภคะที่โอลานด้วยแล้วก็กวาง เ, เป็นผู้เป็นหัวหน้าในที่ น, นั้นๆความเป็นผู้ไม่รู้จักคําว่าไม่มี เออท่านก็ยกตัวอย่างว่าพระนรุธท่านเนี่ยตอนที่ท่านเป็นเด็กๆ เ, เนี่ยด้วยการที่ท่านเจริญทานกุศลมาเยอะและในขณะเดียวกันก็คือไม่ไม่ผิดศีลข้อที่สองเวลาท่านเกิดมาเนี่ยท่านก็เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากมีวันนึงก็ไปเล่นกันไปเล่นกันเล่นเอาชนะกันเรื่องขนมนี่แหละถ้าแพ้ก็ยอมต้องต้องเอาขนมมาให้เขาแพ้ก็ทุกงวดก็ให้ ให้คนเอาขนมที่บ้านมาที่บ้านมาให้คนใช้เอาขนมที่บ้านมามาให้เขาเล่นอะไรกับเขาก็แพ้เล่นอะไรก็แพ้เล่นจนขนมหมดบ้านเลยโยมแต่นี้ก็บอกคนใช้ไปบอกแม่ให้ไปบอกแม่เอาขนมมาแม่ก <ol> ็บอกคนใช้บอกว่าขนมไม่มีวิ่งวิ่งวิ่งมาคนใช้ก็บอบอกว่าบอกว่า คุณหนูเนี้ยเรียกในร่องว่าเออบอกว่าขนมไม่มีแล้วไอ้คือท่านก็เข้าใจว่าไอ้ขนมชื่อว่าไม่มีอ่ะมันมีเข้าใจใช่ไหมก็เลยบอกคนใช้บอกเอองั้นไปเอาขนมไม่มีมาให้เขาเพราะเราแพ้เขาคนใช้ก็วิ่งไปบอกแม่บอกว่าลูกต้องการขนมที่ไม่มีแม่ก็เลยบอกว่าเออลูกเราเนี่ย เกิดมาเนี่ยไม่เคยรู้จักคำว่าไม่มีเลยเอาแล้ววันนี้เราจะสอนลูกก็าจาน์าป่ามาแล้วก็ให้คนใช้ถือชั้นจ่าถือจานเปล่าวิ่งไปแล้วก็ไปบอกให้ไปบอกลูกชายว่าเนี่ยขนมไม่มีคือมันมีแต่จานเนี่ยคือมันไม่มีมันหมดแล้วก็ถือไปไอ้คนใช้ก็ถือเดินๆๆเดินเดินไปเดือดร้อนถึงเทวดาโย่เทวดาเดือดร้อนมากเลยงานเนี่ยเทวดาต้องนิมิตขนมใส่จานไป แล้วก็ลูกเอาขนมมาก็ไปให้เขากินแล้วก็เลยไปไปเขาก็ชวนกินขนมด้วยเขาบอกโอ้ขนมนี่อร่อยมากทำไมแม่ไม่เคยทาขนมไม่มีให้กินบ้างเลยเข้าใจใช่ไหมนี่ไงผลของการให้ผลของการให้แต่ถ้าหากว่าผลของอธินาทานยมเคยเห็นคนจนมากๆกสักทีไหมเคยเห็นไหมคนจนแบบจนที่สุดจนจนหน้ารังเกียจเนี่ยเคยเห็นไหม เดี๋ยวมาเล่าเล่าแบบย่อนะประวัติพระเถระองค์หนึ่งท่านชื่อพระติสลโลสกะเถระแต่ก่อนนี่ปัจจุบันนี้นะนแต่ในอดีตก่อนเล่าอดีตนั้นอดีต ท, ท่านเป็นเจ้าวาดยังรู้จักเจ้าวาดไหมคำว่าเจ้าวาดแปลคนที่ดูแลในวัดวาลามนั่นนะทีนี้ที่วัดท่านเนี่ยต่อมามีพระอาริยะบุคคลพระรหั น, น์้วยนะท่านลงมาจากป่าเข้ามาขออาศัยอยู่ ที่แรกท่านก็ต้อนรับอย่างดีเพราะท่านเป็นพระมิศีตแต่เป็นพระบุรชนเจ้าวาดพระนบูรชนต้อนรับดูแลอย่างดีก็คิดว่าเดี๋ยวท่านมาอยู่ไม่กี่วันเดี๋ยวคงกลับล็อกเข้าใจไม่มมาดูแลอพอมาดูนี่ปฏิบัตท่านน่าเลื่อมใสนี่โยมก็ขึ้นแล้วท่านก็แสดงอัดแสดงทำแสดงสิ่งที่ถูกต้องอย่าลืมนะว่าพระบางองค์มาแสดงสิ่งที่ถูกต้องถึงที่ดีงามแล้วก็เป็นพระที่ชานฉลาดด้วย เพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์น่นนะนี่พระพุทิชนใจเริ่มไม่ดีแล้วโอ้โหพระองค์นี้มารู้สึกไม่ว่าจะเป็นลักษณะกิริยาท่าทางและความสง่างามการพูดจาการรักษาพระธรรมวินยัยการดูแลตนเองนี่โอ้โหสงบสงเงียมมากและพระธรรมวินัยก็เป็นไปตามคำสอนเลยโอ้โหขืนอยู่นานนี่โยมที่เคยศรัทธาเราคงหมดแน่เริ่มคิดไหม คิดดีกับท่านหรือไม่ดีเริ่มคิดไม่ดีเหมือนยกตัวอย่างอามาเนี่ยพอมามาเทศเทศๆอย่างที่สมมติยอมมาศรัท ธ, ธามาใช่ไหมแล้วมาเป็นพระธรมรมดาธรรมดาต่อมามีพระอาหารหันต์มาอยู่หนะ้าที่ตรงนี้เมันกันอยู่พุทธเนี่ยพอมาไปเสร็จแล้วเนี่ยผลปรากฏพอยอมเห็นโอ้โหพระรูปนี้ปฏิบปทาไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยยอมก็เริ่มไปกันทีละคนสองคนก็ย้ายยังอามาใจาเริ่มเสียไหมเพราะไอ้พวกพุทเออขอไป ผู้ดุชนทั้งหลายเนี่ยโดยมากจะยึดอยากให้คนมาศรัทธาเยอะๆเยอะๆเยอะ ๆ, ๆอยากให้คนมานับถือเยอะๆอยากใหมีชื่อเสียงซึ่งผิดกับพระอริยทั้งหลายใช่ไหมท่านท่านท่านไม่ได้ปาถนาตรงนี้เพราะท่านรู้เหตุและผลท่านฉลาดใ น, นเหตุและผลเนี่ยที่ท่านก็เริ่มคิดไม่ดีนะเออมาอยู่หลายวันแล้วไม่ไปสักทีเลยเนี่ยเออหนักเข้าหนักเข้าโยมที่เคยมาหา แย่าวาดไม่ไปแล้วเริ่มไปนูนเยอะขึ้นแล้วเริ่มเริษยาเริ่มเกิดหรือยังเกิดไหมเกิดไม่เกิดลิษยาเห็นเขาได้ดีแล้วทนอยู่ไม่ได้เนี่ยตหนี์ไหมตัหนีได้ไหมตหนี่กลัวราบสกาลัางตัวเองจะหมดนีอกุศลกินใจแล้วท่านรูปเนี้・・ยอกุศลกินใจแล้ว นี่ต้องไปบินทบาตด้วยกันตลอดตุด้ยนะ่าเข้าวันนั้นท่านไม่ไม่ไมเรียกแล้ววันเนี้ยไม่ไหวถ้าขืนเป็นอย่างนี้เราแย่แล้วพ้าเริ่มคิดไม่ดีแล้ววันนั้นท่านก็ไปละคังนะี่ยอมนะท่านก็นิ้วไปดีดละคังดีดดีดีดสักพักท่านก็ไปบินทบาตแล้ววางแผนแล้วเริ่มวางแผนแล้วเริ่มคิดชั่วแล้วไปบินทบาตทยมก็ถามว่าเอา้าพระเทเรซอีกรูปหนึ่งไม่มาหรือ ท่านโกหกนันดีนะอ้อยยอมเมื่อวานนี้ยอมเอาพัดทหารานันปลาหนีดไปถวายท่านสงสัยท่านจะเมาพัดเมื่อกินอาหารแล้วจนไม่ตื่นเลยยอมคงจะมีข้อปฏิบัติไม่ค่อยดีแล้ ว, ลวจะเริ่มใส่ร้ายไหมเริ่มแล้วยอมก็บอกอ๋อไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณย้าวนะ ท่านคงจะเหนื่อยมั้งอยากอย่างนั้นเลยงั้นยอมถวายอาหารฝากไปถวายเข้า <c oughs> ใจไหมอาหารเนี้ยถวายอีกองคหนึง่งท่านอาจจะป่วยนะ <Okay. S 2> ถามว่าท่านจะรับด้วยความดีใจหรือด้วยความแค้นเคืองแค้นไหมโอ้ยแผนที่วางไว้มันไม่เป็นไปอย่างที่วางนะแค้นเคืองมากรู้สึกแค้นเคืองมากนึกในใจว่าออืห <c oughs> แทนที่จะไม่ศรัท ธ, ธาดั้นบอกว่าให้เราเราต้องวันละภาระอีกท่านท่านหิ้วอาหารมาท่านคิดโกรธตลอดนะคิดโกรธตลอดทํำยังไงเนี่ยถ้าเราโยนทิ้งสุนัขมากัดกินมาลากอาหารไปให้ยอมเห็นยอมก็จะเสื่อมศรัท ธ, ธาในเรา้ทําไม่ได้เดินไปเรื่อยคิดไปเรื่อยถามว่าจิตที่คิดอย่างนี้ปฏิทุสไลายไหมปฏิทุสไลายใครปฏิทุสลายพระอรหันต์ โอ้โหดนี่นี่คือความเจ็บปวดนี่ตรงนี้ไม่รู้ปุถุชนยังไม่เคยรู้หรอกไอ้จิตที่คิดไปโทุสายคนอื่นเนี่ยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยพอท่านไปเห็นในกองไฟยใจท่านโอ้โหโลภะเกิดทันทีเลยเอาละเราทำลายหลักฐานได้แล้วเหมือนปัญญาเปียบเลยนะเนี่ยก็โยนอาหารเข้ากองไฟเลยเส้นเรื่องไหม ย, ยังไม่พอนะยืนดูอยู่ก่อนให้มันไหมให้หมด เมื่อหลักฐานถูกไหม้หมดแล้วตัวเองยิ่ค่อยเดินกลับวัดเข้าใจใช่ไหมล่ะตอนนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นบุญหรือเป็นบาปบาปเกิดอย่างมากเลยท่านก็กลับวัดพอกลับไปท่านฉันอาหารเสร็จดับความโลภความโกรธของตัวเองหมดสักพักหนึ่งมันคิดนะโยมนะคนเราก็มีจิตสํานึกใช่ไหมกระแสะชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยพอมีจิตสํานึกคิดหรือท่านจะ ป่วยจริงๆหรือท่านจะป่วยจริงๆเอ๊ะท่านก็มาอาศัยเราอยู่นะอย่างนั้นเลยเราไปดูท่านหน่อยดีกว่านี่เนี่ยบุญมันเกิดแล้วท่านก็เดินเดินเดินไปข้อประตูเอ๊ะไม่มีเสียงตอบรับท่านก็เปิดประตูดูผลปรากฏไม่มีแล้วเก็บเรียบร้อยผลปรากฏพระอาหันท่านจาริกไปที่อื่นแล้ว ท่านเริ่มเอะใจว่าทำไมท่านจึงไม่อยู่แต่ว่าท่านรู้วาราจิตถ้าคืนอยู่จะบาปมากกว่า น, นี้ใช่ไหมเนี่ยพระรูปนี้จะบาปมากท่านก็จาลิกไปโอ้โหท่านกลับมาคิดใหญ่เลยเครียดทุกทุกมากนะข้านะข้าวก็ตอมใจไปเรื่อยเรยแล้วก็มรณาภาพเนี่ยพอท่านตายแล้วเนี่ยโยมท่านไปเกิดเป็นสุนัข ห้าร้อยชาติแต่ละชาติเนี่ยไม่ได้กินอิ่มเลยไม่ได้กินอาหารไมได้กินแต่เศษอาหารเล็กๆนิดน้อยมาชาติที่ห้าร้อยท่านได้กินคนได้กินคนที่เขาเมาเหล้านะ่ยเ้าอ้วกได้ได้มื้อนั้นแหละอิ่มมื้อชาติที่ห้าร้อยอิ่มแล้วก็ตายไปแล้วต่อมาไปเกิดเป็นยักษ์อีกห้าร้อยชาติไม่ได้กินอิ่มเลยนะยมนะ ไม่เคยคำรู้จักคําว่าอิ่มนี่ไม่มีเลยนี่อาทินนาทานเขาใช่ยัยยงไม่อิ่มไม่เคยรู้จักคำว่าอิ่มเลยพอชาติที่ห้าร้อยของความเป็นยักษ์เนี่ยไปได้กินรกคนคลอดลูกแล้วเอารกไปฝังดินไว้โบราณเนี่ยแกไว้ไปคุยดินก็ไปกินเนีรกเลยได้อิ่มมันก็ตายแล้วต่อมามาเกิดเป็นขอทานอีก499ชาติไม่ได้กินอิ่มเลยเลยหารูดเอง เศษอาหารตามกองขยะเท่านั้นเลยแล้วมาชาติที่500อก็มาเกิดในตระกูลขอทานห0 0รอเพราะไปเกิดในตระกูลขอทานนี่นะไม่ใช่แต่ จ, จนเฉพาะที่กับแม่ที่ตนเองพอตนเองมาเกิดเนี่ยเป็นเหตุให้หมู่บ้านขอทานนะั้นขออาหารไม่ได้ทั้งหมู่บ้านจนเขารู้สึกว่าเอ้มันอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไอ้หัวหน้าขอทานก็มาประชุม ไปชมว่าเออแต่ก่อนไม่เคยมีความวิปริตเกิดขึ้นกับหมู่พวกเราเนียขนาดขออะไรไม่ได้กันเลยเนี่ยสงสัยจะมีคนพิธีเป็นกาลิกินีมาเกิดในในกลุ่มพวกเราแน่นอนแล้วก็ลองดูไอช้ช่วงเนี้ยช่วงเอยสองสามอาทิตย์มานี่มีใครตั้งครันบ้างเนี่ยโอ้โหคัดออกมาแล้วไอ้คนตั้งครันคัดมออกไปไว้ที่อื่นก่อนพอคัดออกไปไว้ที่อื่นนี่โอ้เห็นแล้ว หมู่บ้านไอ้ทังบ้านหมู่บ้านขอทานก็ขอได้เป็นปกตินะก็เลยไปคัดค่อยๆ ค, ค, คัดไปเรื่อยๆจึงนีง่ตัวนี้แน่นอนพอรู้ว่าโอ้ผู้หญิงคนเนี้เป็นกาลกินีนะเนี่ยก็ไล่ออกจากหมู่ขอทานไปคือแม่ของท่านท่านนี้แหละอดีตเจ้าวาดนี่แหละยอมมากลัวหนะ้ากลัวไหมยดยที่ทำกับคนผู้มีคุณเพียงครั้งเดียวเนี่ยนันโหดร้ายขนาดนี้นะแล้ว ต่อมาก็พอเธอออกไปข้างนอกก็อุ๊ยทรมานนี่ให้สังเกตนะว่าผู้หญิงคนนี้ที่ตั้งคันเนี่ยไม่พอใจลูกเลยทำทุกวิถีทางเด็กก็ไม่ออกเดินเอาไปกระแทกต้นไม้บ้างล้มใส่ก้อนหินบ้างสารพัดมันก็ไม่ออกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเด็กไม่เคยทำาพนดิบาศเข้าใจไหมล่ะงั้น ที่จริงเรื่องยาวกว่านี้นะแกเคยโดนดิโดนสารพัดหมดแหละทำยังไงก็ไม่ไม่ไม่แทงไม่ตายเพราะปฏิบติบากไม่ได้ทําทําข้อไหนอธินาทานยังไงก็ไม่ตายโยยยกตัวอย่างเช่นยอมจําได้พระเจ้าชาติตูเนี่ยพระเจ้าชาติตูเนี่ยแม่เนี่ยแม่เนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยออกมาเป็น จะมาทำปีตุคาดฆ่าพ่อแม่นั่งบนหลังมา้าไปเนี่ยไปเห็นก้อนหินน่แก้งตกเอาท้องกระแทกหินที่เขาเรียกว่ามัทกุจฉิที่ตรงนั้นน่ะปัจจุบันนี้ชื่อเออพอต่อมาที่ตรงนี้เขาสร้างเป็นวัดเขาเรียกมัทกุจฉิมิกทัยวันมหาวิหารเป็นวัดด้วยมารยาหลังตั้งเป็นวัดในยุคพระเจ้าโศกในยุคของพระเจ้าชาติสตูลมีอยู่18วัด ในแฟนมคตในคนที่ไม่ทําบารนารีบาทเนี่ยทำไงไม่ตายหงนะไม่ตายแม่ก็พยายามทําไงจนต้องปล่อยจนคลอดโอ้โหพอคลอดออกมาได้นี่แม่โล่งใจแล้วทำไงกับลูกนะหาไนก็ไม่ค่อยได้หาไนก็ไม่ค่อยได้จนพอเด็กนี่เริ่มเดินได้เริ่มพูดได้เล็กๆน้อยๆพอเริ่มจากห้าขวบหขวบ ท, ทิ้งเลยยอมทิ้งเลยแม่หนีเลยไม่อยู่แล้วเด็กคนนี้ก็หาเศษอาหารตามกองขยะเยอะ ย, ย, ยมเคยเห็นคนหากินอาหารแถวกองขยะไหมเนี่ยนี่เด็กคนนี้ก็เป็นแบบเนี้แต่นี้เด็กมีบุญในโะยมเนี่ยเนี่ยเด็กมีบุญผิดพลาดข้อเนี้ยข้ออื่นไม่ผิดพลาดนี่ดูมีบุญนี่ชาติสุดท้ายเนะี่ยท่านเกิดมาเนี่ย นี่ท่านจะได้บรรลุเนี่ยเนี่ยแต่ว่าโอ้โหบาปให้ผลมหืมาหืมาเลยทีนี้อยู่ต่อมาตอนนี้ท่านพอท่านโตโ ต, ต, ตขึ้นหน่อยมีวันหนึ่งภาษาลีบุตรเนี่ยไปบินตาบาดไปเจอเด็กคนนี้กำลังโตลแล้วโตเยอะแล้วหนุ่เด็กหนุ่มคนนี้หาเศษอาหารรูดเศษอาหารกินตามกองขยะอยู่ก็มายืนดูอยู่ถามว่าพ่อนมุมเจริญพรพอนุ่มอย่างนี้นะ เ, เด็กก็มองปนมมือ อยากบวชไหมเอออยากบวชเนี่ยอยากบวชก็เลยขอขอบวช ก, ก, กับพระสารีบุตรอัคราสาวกเบื้องขวาของพุทธเจ้าต่อมาก็ได้บวชยอมคิดว่าบวชแล้วอกุศลกรรมนี้จะหมดไหมหมดไม่หมดไม่หมดท่านไปเปบียดธบทีไหนก็ไม่ได้ได้นิดนิดหน่อยหนอ ย, นอ ย, นอยได้ตามเศษอยู่อย่างนี้แหละกินพอได้เสรเศษ เพราะหนึ่งคือไม่ตายอะอยองคือไม่ตายพร้อมไปที่ไหนแล้วอยู่มาเนี่ยจนท่านสามารถประพฤติปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่กรรมอันนี้ก็ไม่เคยปานีท่านเลยโยะอกุศลกรรมเนี่ยท่านก็อดอยากอยู่อย่างนั้นแหละอดยาก กรรมไม่เคยเปิดช่องอากุศลกรรมเนี่ยไม่เคยเปิดช่องให้กุศลได้ให้ผลท่านเลยแต่เปิดช่องให้ได้บรรลุแต่อธินาทานเนี่ยปิดไม่ให้ได้อาหารไม่ให้ได้ทรัพย์ปิดอยู่งั้นแหละมีอยู่วันหนึ่งท่านจะปรินิพานแล้วคือท่านจะปรินิพานแล้วท่านนั่งอยู่วันนั้นภาษาลิบุตรมาเจอลูกศิษย์เนี่ยก็ถามว่าเอองั้นไปบิณฑบาตกับอาจารย์ ว่า อ, อาจารย์มีเอกลาภเยอะใช่ไหมใครก็รู้จักทั้งทั้งสาวถีนี่ที่ไม่มีใครรู้จักภาษาลิบุตรไม่มีเพราะเป็นอักระสาวัตเบื้องขวาพอพระรูปนี้เดินตามหลังพระเถระเดินเข้าสาวถีเข้าเมืองนี่นะไม่มีใครทักพระเถระสักคนเลยโยมดูกรรมนมะ่นอกจากให้ผลให้ผลปิดบาปตัวเองไม่พอนะีปิดปิด ปิดกระแสชีวิตตนเองไม่ให้ได้ยังยูยังไปปิดกรรมไปกั้นกรรมของพระเทพร้ก็อยู่ทางภาษาลิบุตรเดินไปยังไงไม่มีคนทักด้วยภาษาลิบุตร บ, บอกงั้นให้ท่านกลับไปรออยู่ที่โล่งฉันให้รออยู่ที่นั่นแหละพระเทพรา้าพอพระเถพร้เดินออกนอกเกิดรัศมีอกุกสนกรรมมันจะให้ผลคนทักพระเทพร้เป็นแถวหมดเลย ทักภาษาลิบุตรโอ้พระเรามาพระเรามารับบาตรรับอะไรเป็นแถวหมดเลยแล้วก็รับอาหารพอรับอาหารเสร็จครับภาษาลิบุตรก็ปาลบว่ามีพระเถระที่เป็นลูกศิษย์ยังไม่ได้อาหารดูที่โรงฉันยอมก็รับอาสาเลยนะว่าจะเอาอาหารไปถวายยอมทำอาหารรับแต่ พอยมเดินเดินไปสทรกยา1หนึ่งยอมคนนี้ลืมยอมอาหารที่ถือไปเนี่ยเลยลืมทันทีอกุศลพอเข้าไปใกล้รัศมีระเทลาเนี่ยอากุศลกรรมก็มาปิดตูมลืมเลยนึกไม่ออกว่าถือมาทำไมในอาหารเนี่ยเห็นกองไฟและโยนทิ้งเข้ากองไฟเลยเนี่ยมองเห็นไหมหน้าหน้ากุณาไหมยมว่าหน้ากรุณามาไหม ต่อมาภาษาลิบุตรกลับมาเห็นท่านนั่งเฉยอยู่ถามว่าท่านได้อาหารหรือยังท่านบอกว่าอย่างตอนนั้นน่ยใกล้ใกล้ใกล้จะจะเกินเวลาอยู่แล้วเกือบเกือบจะเลยเที่ยงแล้วภาษาริบ ท, บ, ทบอกให้ท่านรอตรงนั้นภาษาลิบุตรเดินเข้าพระราชวังเลยพระเจ้าประเสซนที่โกศลบอกโอ้พระเทเรซมาคือมารับอาหารรับเป็นข้าวต้มมาโยงเป็นข้าวต้ม รับอาหารเสร็จท่านรับอาหารท่านก็เดินกับพอเดินกลับมาหาลูกศิษย์ท่านที่แรกท่านจะจะเทอาหารใส่บาทนะพระเถระแต่ท่านใช้อภิญญาดูก่อนเลยนะท่านกำหนดดูโอ้โหถ้าเอาอาหารใส่บาศแล้วพอเทลงไปในอาหารจะอันตรธานหายทันทีเลยเพราะบาปของท่านพวกนี้ ภาษาลิบุตรต้องเข้าสมาบัติเข้าอภาินยาอธิษฐานด้วยฤทธิ์เพื่ออธิษฐานให้อาหารนี้ไม่อันตรธานด้วยอำนาจของท่านแล้วก็จับบาตรของตอนเองไว้แล้วก็บอกว่าให้พระเทเรซตักอาหารกินนิรคำพระเทระที่เป็นลูกศี์ท่านก็ตักอาหารฉันตักฉันพอฉันอาหารหมด เก็บบาทเก็บอะไรเสร็จท่านก็กราบลาลาลาอาจารย์แล้วก็ปรินิพานเลยได้อิ่มมื้อสุดท้ายแล้วตอนนี้ท่านปรินิพานแล้วท่านไม่ต้องเวียนไหวใจเกิดอีกแล้วยอมยอมโหดร้ายไหม ย, ยอมอยากจะให้ทานไหม ย, ยอมอยากจะทํากรรมอธินาทานอยู่ไหมอยากทำํำไหม ลองนึกดูที่เราเคยทำข้อนี้ไหมเคยหมยเออเป็นบุญแล้วเป็นบุญแล้วนี่แหละอาทินาทานเป็นอย่างเงี้ยถ้ามันให้ถ้าเราไปทำกับผู้มีคุณขึ้นมาเนี่ยมันโหดร้ายอย่างเงี้ยเยอะโหดร้ายอย่างนี้หละ เ, เอาอีกสักข้อไหม นี่เดี๋ยวปัญหาอยู่เลยเยอะ เ, ยเ๋ยวตอบปัญหาก่อนดีกว่ามั้งนะตอบปัญหามีใครจะถามอะไรไหมช่วงนี้มีไหมคือต้นอาจารย์ว่าอาจารย์ค ะ, อ, ะอยากจะถามเรื่องหนึ่งว่าถ้าคนที่ทำอกุศลอกุศลแล้วก็ทำเปิดใหม่หรือเปล่า ลโหลได้ยินไหมคะได้ยินถ้าคนที่ทําอกุโสลกรรมหรือทําอธินาอะไรอย่างนี้เยอะๆแยะๆไม่เห็นเขาจะได้รับบาปหรือว่าได้รับอะไรเลยคือเขาก็อยู่กันลอยนวลแบบกินชาติกินทําอะไรแต่ประเทชาติจนจะหมดแล้วค่ะแถมยังจะทําปฏิบาตเข้าใจยอมแค่นั้นเข้าใจแล้ว ค, คืออยากให้ท่านช่วยคิดหน่อยว่าเขาจะเป็นยังไงอนาคตเพราะอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองอ๋อคนหลักบา้ากไม่ทราบว่าประเทศไหนค่ะช่วยช่วยตอบให้หน่อยว่าจะบาปไหมฮ ะ, ะคืออย่างนี้นะว่าเรื่องกรรมและเรื่องผลของกรรมเนี่ย พระพุทธเจ้าตรัสบอก ว, ว่าเมื่อคนทอาอกุโสลกรรมเนี่ย เ, ยเมื่ออาุโสลกรรมเหล่านั้นยังไม่ให้ผลอยู่ตราบใดคนชั่วก็สำคัญว่าอาุโสลกรรมที่ตนเองทํานั้นมันไม่มีผลทีนี้เรื่องคำว่ากรรมเนี่ยที่จริงในหลักการคำสอนพระเจ้ามันมีความแน่นอนอยู่ห้าอย่าง 1ก็คือพีอิชแนิยามความแน่นาแน่นอนของพืชของพันธุกรรมทั้งพืชพันธ์ทั้งหลายมะม่วงขนุนเน้อนาเนี่ยมันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของความแน่นอนตามเหตุปัจจัยของเขาใครไปห้ามเขาไม่ได้ไม่ได้เหตุปัจจัยก็เป็นไปอย่างนั้นแหละ2ก็คืออุตุนิยามก็คือดินฟ้าอากาศฝนตกฟ้าร้องแดดออกหนดินถลม่มฟ้าทลายเกิดพายุใหญ่ อันนี้ก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีก็ว่ากันไปประการที่สมจิตตนิยามการทำงานของจิตก็หมายความว่าจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตริ้มรสจิตคิดถูกต้องจิตรับอารมณ์ไต่สวนอารมณ์จิตที่ตัดสินอารมณ์แล้วก็จิตที่เสพอารมณ์รับอารมณ์ต่อจากอารมณ์ที่เสพมาจิตทาหน้าที่รักษากระแสชีวิตจิตทาหน้าที่เกิดทาหน้าที่ตายอันนี้เขาเรียกหน้าที่ เรารู้หรือไม่รู้เขาก็ทํางานของเขาอยู่อย่างนี้ประการที่สเมื่อกี้ยมประการที่4ก็คือเรื่องกรรมนิยามเมื่อกี้ที่ยมถามเรื่องกรรมกฎของกรรมความแน่นอนของกรรมก็คือกุศลกรรมนะอากุศลกรรมเนี่ยเขาก็มีความแน่นอนของเขาดังกล่าวหนึ่งอากุศลกรรมที่ทําไปแล้วอย่าคิดว่าไม่มีผลมันให้ผลทันที ในขณะผู้นั้นทำหนึ่งให้ผลที่ไหนก่อนอด้านจิตใจให้ทันทีเราไม่รู้เขาแต่จริงๆแล้วให้ยังนั้นคุณจะทํากรรมดีหรือกรรมชั่วเมื่ออกุศลกรรมทําลงไปแล้วความทุกข์จิตเป็นโรคจิตมีของเสียจิตเศร้าหมองจิตไม่สะอาดไม่เอี่ยมมองไม่ผ่องแผ้วจิตเป็นไปกับความทุกข์เป็นไปกับความเครียดเป็นไปกับวิตวกังวลเกิดตลอด นี่ให้ผลที่ด้านจิตใจสองให้ผลที่บุคลิกภาพเราสังเกตดูที่คนที่เถียงกันตำหนิกันทุกวันเนี่ยเราดูหน้าตาแต่ละคนดิหน้าตาบอกบุญลับไหมเราก็จะเห็นว่าที่เขาไปเถียงกันเนี่ยมีการไปปกระดมกันเยวเยวที่เราก็ไปดูกับเขาเราก็เศร้าหมองไปเขาเนี่ยแปลว่ากุศลให้ผุหรืออกุศล เอาสมมุติเรามีการปลกระดมกันพ่อแม่พี่น้องเราต้องอะไรประชาชิที่ใจกว่ากันไปสมมุตินนะก็ระดมกันไปถามว่าเขาคุยด้วยกุศลเ ร, รื่องกุศลใจเขาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นไหมและเราไปฟังละ่ะเป็นกุศลหรืออกุศลใจเราก็มีแต่ของเสียใจเราก็ประสบกับความทุกข์กความเครียดความวิตกกงังวลบุคลิกาภาพเราดีไหมของเขาดีไหม สรุแล้วทั้งคนดูทั้งคนไปร่วมทั้งคนที่ไปเกี่ยวข้องเนี่ยกำลังได้รับผลระดับที่หนึ่งกับระดับที่สองได้กันทั้งคู่ได้แล้วทีนี้ให้สังเกต ด, ดูที่ว่าเขาได้เห็นที่ดีหรือไม่ดีไม่ดีได้ยินในสิ่งที่ดีหรือไม่ดีโอ้โหเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ดีตลอดเดือดร้อนตลอดวุ่นวายตลอด เขาไม่ได้มีความสุขนะจริงๆแล้วกรรมกำลังให้ผลอยู่นะเนี่ยให้ผลทำให้เขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่นั่นแหละอยู่ร้อนนอนทุกข์ไม่ได้อยู่เย็นเป็นสุขหรอกนี่จริงๆแล้วคือกำลังได้รับผลระดับหนึ่งแล้วถ้าเราไปเกี่ยวข้องเราเจอด้วยไหมเราก็เจอด้วยแต่เสื่อมลาบเสื่อมยศโดนนินทา ประสบความทุกข์ผิดหวงังล่มจมมันมันดูว่าเหตุปัจจัยมันไปถึงไหนจะลืมนะคนบางคนเนี่ยยอมว่าบางทีเราว่าเขาไม่ดีเนี่ยแต่สิ่งดีมันก็ทำอยู่นะคนบางคนเนี่ยให้สังเกตดูนะ เ, เหมือนยอมไปมองมองน้ำเนี่ย น้ําที่มันไหลแยยอมมองต่อหน้ากระแสะน้ําที่ยอมมองเนี่ยบางคราวยอมจะเห็นน้ํามันขุ่นใช่ไหมบางทีก็มีสารพิษปนเปื้อนมาต่อหน้าเราเลยแต่บางคราวเราก็เห็นน้ําใสแต่น้ําที่มันมันไม่ใช่น้ําอันเดิมนันเนี่ยแต่น้ํามันไหลยอยู่ตลอดเวลาไหมยอมว่าไหลยอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าเอาน้ําไม่รับเจ้าอยาไหลยอยู่ตลอดเวลาไหม ถ้ายอมไปมองอยู่แค่สองนาทีสามนาทีเนี่ยมันใช่น้ำเดิมไหมตรงนั้นน่ะตรงที่ยอมมองไปตรงนั้นน่ะน้ำเดิมบ่เปลี่ยนตลอดไหมยอมเชื่อไหมกระแสชีวิตของคนเนี่ยยอมว่าที่เขาคิดชั่วเนี่ยมนันนมันคิดชั่วได้ตลอดไหมตลอดด้วยบ่เขาทำชั่วได้ตลอดไหมตลอดไหม มันไม่ตลอดหรอกมันจะมีทั้งชั่วทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีสลับกันอยู่ตลอดเวลาวิธีการมองคนในฐานะเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมยมอย่ามองเป็นช่วงๆยมจงมองกระแสะชีวิตของคนให้ตลอดสายและยมจะได้แยกแยะถูกขณะนี้เขาทาผิดก็ให้เข้าใจว่าตอนนี้มันผิดแต่ขณะนี้ดียอมก็ต้องเข้าใจว่ามันดีเข้าใจไหมล่ะอย่าไปมองว่ายมอย่าไปจับภาพนิ่ง ขอยอมจับภาพเคลื่อนไหวถ้ายอมจับภาพนิ่งเนี่ยยอมจะได้ภาพและยอมจะฝังใจกับเรื่องบางเรื่องเช่นยอมไปถ่ายภาพตอนที่ไอ้คนคนนี้มันเป็นโจรแต่ตอนตอนที่ไอ้คนคนนี้ไปเป็นพระเอกเนี่ยยอมไม่ได้ถ่ายไวเ้เข้าใจไหมฉะนั้นยอมจงมองกระแสชีวิตเนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดและยอมจะเป็นผู้ที่มีเป็นปัญญาฉลาดในการมองคน และยอมจะไม่จมอยู่กับความคิดถ้าอย่างนั้นมันจะจมยอมนักปฏิบัติธรรมต้องสามารถมองคนได้ตลอดสายแล้วก็ฉลาดในการมองถึงจะรู้จักว่าวางใจเป็นโอ้โหถ้าอย่างนั้นนะวันนี้วันนี้ยมยมเห็นพระรูปเนี้ยมานั่งอย่างนี้โอ้โหท่านประพฤติปฏิบัติดีนะ แต่วันดีคืนดีเกิดกระแสชีวิตมันผักผลผกผันใช่ไหมสังเกตดูไม้มมีข่าวบางทีอูยท่านบนนี้เป็นพระรหันละมเมองพออยู่ต่อมาท่านสึกหายเลยแต่เนี้ยแล้วเป็นยังไงแต่เนี้ยความรู้สึกโอ้โหจัดคอสปฏิบัติแต่ก่อนมากันสองสามร้อยพอจัดอีกทีมาห้าสิบคนเองนี่นี่เพราะอะไรอะ่ะเพราะเรามองคนแค่ ภาพความทรงจำนะั้นจงมองตลอดสายนะมองชีวิตให้มองตลอดสายเข้าใจไหมและอย่าถ่ายภาพนิ่งให้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวดูดูทุกขั้นตอนแล้วเราจะเข้าใจบางตอนเหมือนเหมือนอยังงยอมเหมือนยอมดูไอที่เขาเล่นเล่นละครกันน่ยยอมคิดว่าไอคนที่มันไปนแสดงเป็นตัวโกงเนี่ยยอมว่ามันโกงจริงจริงย บางคราวมันก็แสดงเป็นตัวโกงใช่ไหมสมัยก่อนมันมีอคอนแสดงลิเกเนี่ยมันแสดงเป็นตัวโกงพอกำลังแสดงเป็นตัวโกงโอ้โหเอกนขายของมันโกรธมากมันถือไอ้ตัวนั้นไอ้ไอ้ผู้ลายเนี่ยนะมันถือดาบมาทําท่าจะฆ่าไ้พระเอกไอ้คนขายผลไม้ก็วิ่งโดดขึ้นไปเอาไม้คานไปไล่ตีเขาไปตีบอกว่า พอถ้าจะฆ่าไพระเอกเนี่ยข้ามศพชั้นไปก่อ น, นเนี่ยนี่ยก็ไปทบตีเขาอย่างเงี้ยอามามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งเป็นพระเอกแต่ก่อนมันแสดงเป็นพระเอกเนะไอ้พระเอกไอ้ดาราเนี่ยต่อมาแล้วพอมันแก่เข้าเข า, ขาจับมันไปแสดงเป็นผู้ล้ายอันนี้มันเข้ามาซื้อของที่ตลาดพวกเอาส้มเบลเอคว้างเขาซื้อหัวโนเลยเนี่ยเขาต้องวิ่งหลบเลยอ่ะนี่คือนิสัยคนไทยนะเราไม่มองคนให้ตลอดสาย อันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่ากรรมใดใครทาจะเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลก็จะตามส่งเสริมกระแสชีวิตเขาโยมอกุศลก็จะตามเบียดเบียนกระแสชีวิตขอให้พุทธบริษัทอย่าทำตนเองเป็นผู้พิพากษา่อมก็เห็นผู้พิพากษาไหมคือเราไปตัดสินกรรมคนอื่นทั้งทั้งที่เรารู้เพียงย่อมๆเราไม่ได้รู้จริงง บางทีเราไปรู้รู้พฤติกรรมของคนทั้งหน้ั่งสรือพิมพ์ยอมเชื่อไหมว่าจริงกงสื้อพิมพ์มันก็ถ่ายเป็นย่อมๆ ม, มานี่ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ทุกเวลานี่หรือบางทีทางโทรทัศน์เนี่ยโทรทัศน์มันได้ไปถ่ายทุกขั้นตอนไหมมันก็ถ่ายแค่เป็นย่อมๆ ม, มาแล้วก็มาตัดภาพพอตัดภาพแล้วก็มาออกให้พวกเราดูยุ่งเหยิงเนี่ยเขาใจยังเราไม่ได้ดูให้ตลอดสายไม่ได้ศึกษาข้อมูลให้เชิงลึก แล้วเราก็เลยมาจำภาพและคนที่เราบอกว่าดีนยอมคิดว่าดีจริงว่ะไอคนที่ยอมบอกว่าชั่วยอมคิดว่ามันชั่วจริงว่านั้นตรงนี้อย่าพึ่งด่วนตัดสินใจคนนะอย่าพึ่งด่วนตัดสินใจเอามาเข้าใจนะว่าว่าสภาพสังคมไทยเนี่ยเออที่วันที่ ส, สิที่อามาต้องรีบกลับไปก่อนเนี่ยก็นี่แหละปัญหาเรื่องเขานี่มนให้ไปพูดเรื่องเนี้จริงๆอามาก็จะไม่ไปเราแต่ก็มีพราเถระผู้ใหญ่ขอร้องมาก็เออที่จริงอามาจะอยู่ให้ครบถึงวันที่14เพราะรับปากทางยุพุทธไว้เนี่ยนะอามาก็เลยต้องโอ้โหถูกขอร้องมาก็ไอเรื่องแบบนี้ยอมบอกอ้าก็คือ ตรงนี้ก็คืออยากจะบอกให้โยมว่าเอาละเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเข้าใจนะมาใส่ชุดขาวประกาศตนเองแล้วว่าเป็นพุทธบริษัทนี่ชั้นชั้นแนวหน้าแล้วไม่ใช่ชั้นธรรมดาถ้าชั้นธรรมดาก็าแปลว่าเขาไม่ได้รักษาศีลใช่ไหมอย่างเรานี่เป็นชั้นที่มองอะไรด้วยความหลายคนประกาศตนเองว่ามาเจริญวิปัสสนานะวิปัสสนานี่ธรรมดาไหมโยมว่า วิแปลว่าวิเศษได้ด้วยนะปรัชสสนาแ ป, แปลว่าเห็นแปลว่าปัญญาด้วยนะปัญญาที่ไปเห็นแจ้งอย่างวิเศษนะี่ถือตามความเป็นจริงไงคือสามารถรู้ความจริงของกระแส ช, ชีวิตตามที่มันเป็นได้คือไม่ติดอยู่ที่สัตว์บุคคลนะวิปรัชนาปัญญาเนี่ยโยมนะก็แปลว่าสามารถที่จะแทงตลอดได้ตามความเป็นจริงและไม่ไปยึดติดที่สัตว์บุคคลใช่ไหมเอาละแต่นี้ก็คือว่าเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทที่ อยู่ในระดับต้นๆก็ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเ อ, อ่อยมอยากจะพักกันสักหนาทีส0บนาทีไหมจะ ก, กลับมาใหม่พักไหมถ้างั้นเดี๋ยวพักกันสักสินาทีนะ<ม>เดี๋ยวจะเข้าห้องน้ำห้องท่ากันปเดี๋ยวจะได้กลับเข้ามาจะตอบปัญหาเพราะเดี๋ยวเราจะได้มีการปฏิบัติกันต่อเพราะ 6โมงวันนี้จะมีการสอบอารมณ์กันในสอบอารมณ์